แกนแท้แล้วถ้าเป็นเรื่องธรรมะนี่มาก่อนไม่ได้เอ่ยมาทีหลังนี่นะเป็นแกแท้ถ้าเรา อ, อยาา่อางมาก่อนธรรมะนี่นแสดง ว, <c oughs> <c oughs> ว่าอย่างเคยทักที่เนาะมันว่าฝังเนี่ก็จะว่างเ <c> น <oughs> ่ยแต่มันต้องเป็นอย่างนี้แหลมันถจะได้ธรรมะถ้าเราเห็นสิ่งอ่นดีแตธรรมะมันก็จะเสียเวลาไปกับเรื่องอื่น เราต้องไปยึดกับสิ่งอื่ถ้าเราเห็นว่าธรรมะนี่ดีกว่าเมื่อเราต้องถึงเวลา จ, จะต้องเลือกเราก็ต้องอาธรรมะก่อนพระพุทธเจ้าท้าเรเลือกกระว่ามาจักรพรรดิจะเป็นพระสาจจดาถ้าเราเลือกเราพระสัจจดาถ้า่านเลือกเป็นพระพุทธเจ้าถ้าท่านเลือกเป็นจักรพรรดิอยู่ับในวันท่านก็ได้เป็นจักรพรรดิแต่ท่านก็จะไม่ได้ตัดจะไม่ไดเป็นพระพุทธเจ้า การตัดสินใจของเราเป็นเรื่องที่สําคัญมันเป็นเหมือนกับเดินไปถึงจุดแต่ทางแยกเราจะตรงไปเลื้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าเราเลือกเี้ยกให้มันถูกทางมันก็ไปถึงที่หมายปลายทางถ้าเลี้ยวไม่ถูกทางมันก็วนอยู่นะวนในวัฏจักรตนี่แหละวนในสารพบวนในรู ป, ประพบอะไรพวกทางมพ กเราอย่างเด็นไม่อยัมี้แตนว่นาวนนหน่ยใชสนองและพู๋ย <c oughs> ยังไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดหาทางออกไม่ได้ยันอยู่นังพยายามให้น้ำหนักกรรทำะมากกว่าอย่างอ่อาที่เสิยงตัดสอนว่าให้สห ล, ลักชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ แม้แต่ชีวิตทุกอย่างว่าไม่สําคัญเพราะธรรมะชีวิตเนี่เรา ม, มันเหมือนหัวโขอนอ่ะห ม, หมดหมดอันนี้เราก็ได้อันนี้ได้ไปเรื่อยๆแต่ธรรมะนี่มันได้ยากกว่ามัไม่ใช่เป็นสิที่จะไขว่คว้าหามันได้ง่ายเหมือนกับชีวิตชีวิตนี่มันเกิดได้เรื่อยๆตายก็มันก็เกิดเนี่ตายแล้วมันก็เกิดเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายชีวิต แต่ธรรมะมันมันได้ยากไม่มีธรรมะชีวิตก็ไม่มีความสุขชีวิตก็มีแต่ความทุกข์มีความวุ่วายใจถ้ามีธรรมะแล้วชีวิตก็มีความสุขเหุกองความสุขก็คือธรรมะเองเตุความทุกข์ก็คือการขาดธรรมะนั่นาจะเป็นคนให้ความสำคัญกับธรรมะ่ากไปหน่อย เมื่อ ง, อางราถึงเวลาจะต้องเรืองอะไรทำนะกับกับอะไรต่างเราต้องเรือกมาทำนะก่อนทำในลำดับแล้วว่าสิ่งที่ควรจะสละสิ่งแกก็คือสมบัติเท่าของเงินทันทรัพย์สืลองลงมาเ็เอาไว้ว่าตาหูแขนขาลงลงมาก็ชีวิต มันก็ามาถึงธรรมะเป็นเป็นอยางสุดท้ายเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาสงวนไว้เป็นสิ่งสุดท้า ใ, ใหสำหรับทรัพย์จะรักษาอวัยวะจะอวาวัยวะจะรักษาชีวิตให้สำรับชีวิตก็รักษาธรรมธรรมก็อย่างที่พวกเราทำอย่างนี้แหละทานศีลธรรนานุเว่าธัตถุ เวลาเราทำมือหน้าทาเราก็ทำซับอะเราก็ได้ทำเวลาเรารักจานกินเราไม่พูดตมเราไม่หวางร่ำเหนือยจากการทำหากินที่ทึบเกลือแล้วก็เราก็เสียรับไปส่วนนเสียประโยชน์ไส่วนนแต่เราได้จินมาทาเราไม่เอาเวลาไปเที่ยวทานไปทานทุกทารเราจะหาที่ที่ได้กสงบสงบทาจิตใจให้สงบเราก็ได้ ทำละในสมาธิความสงบกันถ้าเจริญปัญญาเราก็ได้ปัญญาได้การเพ่งจากความทุกข์กันแต่มันมีคุณค่าทั้งนั้นสำหรับพิจารณาด้มันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราเสียไปความว่าเสียศลาก็คือให้ศลาประโยชน์สุดหุ่นย่อยเพื่อประโยชน์สุดที่ใหญ่กว่าที่ยิ่งกว่าชอบนี่มันในสายตาของ คนที่มีความหลงผู้เร า, านี้แต่ว่ามันมีคุณค่ามากแต่ในสายตาของนักบากเช่นพระพุทธเจ้าท่านจำไดายังไม่มีคุณค่าอะไรถ้าถึงสระลาจะสมบัติออกเหนือได้พระทราบมนไม่ได้ทําให้จิตใจหลุดพ้นได้แต่ทราบนี่จะเหมือนกำ บ, บวชจะเหมือนกับปะขอที่ไปเกี่ยวให้จิตนุ่งยังต้องวนยืนไหว้ในภพในชาติ ต, าตา่างๆ มันมีความต่างกันว่าคุณจะทอถ้าไม่พิจารณาจะมองไม่เห็นพร <c oughs> าความหลวงมันจะหลอกให้เราเห็นคุณค่าของทรัพย์มากกว่าอย่างอื่นธรรมะนี่เห็นคุณค่ายากถ้าไม่ได้สัมผัสกับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือว่าทําแล้วไม่รู้ว่าผลมมเป็นอย่างไร เพิ่มให้ทางเนี่ยเราก็ได้ผลแต่เราไม่รู้ว่าเราไปเรียนผลผิดที่เราไม่ได้เรียนผลที่ใจแล้วเราไปเรียนผลที่คนรับคนที่เราไปทําดินด้วยอย่างนี้ก็ไม่ถ้าเราเรียนผลที่ใจแล้วไม่ว่าคนคนที่รับนี้่จะเป็นใครไม่สําคัญสำคัญ ท, ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราความเมตนนตากรุณาของเราความมิศรัทธาของเราที่จะ ช่วยคนนั้นให้เขาได้รับประย์จากการปลุแเสของเราโดยไม่สาคัญไว่าที่ว่าสําคัญว่าจะต้องเป็นเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์หรืออะไรามถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เขเดือดร้อนต้องคำควางช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาได้แล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรจากการช่วยเหลือ น, นั้ น, นอย่างนั้นน่ะมันมันจะปรากฏเป็นผลขึ้นมาในใจเรา ใจเัาจะมีความภูิใจมีความสุขใจมีความอิ่มเอิใจมีความพอใจใจเารรล้อรักจะเรีนรู้ผลที่โู้มชาติหน้านี้เรยว่าผลที่เราจะได้รับตอบแทนกลับมาในรูปต่างๆในรูปแบบต่างๆมันเลยไม่ได้เป็นการให้ทานมันเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเป็นการซื้อขาย เราให้เงินเขาแล้วเขาก็ให้สิ่งที่เราต้องการมาไปซื้อของตามร้านค้าต่างๆอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการให้ทานเราเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายเราก็ไม่เห็นคุณเราก็ไม่มีความดืดดด้อเด็ดวิเศษวิโสอะไรขึ้นมาในใจแต่ถ้าเราให้โดยที่เราเห็นความ ทุกของผู้อื่ น, นอยากจะช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาให้เบาบางลงไปหรือช่วยเสริมให้เขาได้ทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์เพือ่อประโยชน์ของส่วนรวินเลือของขอ ง, ขอ ง, ข, องของประเทศชาติเราทำไปแล้วเราก็มีความสุขแล้ว แต่เราก็ไม่เข้าใจถึงผลของของการทำว่ามันปรากฏขึน้นแล้วในใจของเราเพราะใจของเรานั้นมันใจมีกิเลส ม, มามามาปิดบังเพราะกิเลส ย, ยังอยากจะได้ผลตอบแทนอย่างนั้นก็อยากจะให้เขารู้ว่าเราได้ทําถ้าเราประกาศชื่อเราแล้วเขารู้สึกว่ามีความคิดขึ้นมาถ้าอยากมันเป็นกินเลสมันไม่ได้เป็นธรรมะ <c oughs> เป็นความสุขแบบเกลือที่ไม่มีน้ําหนักเหมือนกับความสุขแบบธรรมะนความสุขแบบธรรมะนี่มันมีนความหนักแน่เหมือนกับว่ารับประทานอาหารหนี่หนักส่วนความสุขของเหลือมันเบาเหมือนกับกินขนมรับประทานเขาเบารับประทานได้เดียวเดียวมันก็หายละมันความสืขว่ะหายไปทีปละอยากจะได้อยากจะกินอีก การสึกความอื่นของทางธรรมะนี้นเองว่ามันไม่อยากจะไดไ้มันมีความสบายใจมีความสุขใจทุกครั้งที่ได้คิดถึงการกระทำที่เสียสละอะไรนั้นก็มีความสบายใจมีความสุขใ จ, ใจอีกเสมอเพราะฉะนั้นการทําอะไรขอให้เราดูใจของเราเป็นหลักผลนั้นเกิดขึ้นทางใจสออ่วนใหญ่มันเกิดขึ้นทนใจของเราใ แล้วม e ันก็ส่งผลให้ไปถึงในอนาคตในภบชาติต่างได้คือปฏิบัติไการนะจิตเรามีความสุขกิเลสเราเบาบางลงไปทุกเราบางลงเบาบางลงไปภบชาติมันก็เบาบางลงไปภบชาติที่เหลืออยู่ก็เป็นภบชาติที่ดีเป็นสุขติเป็นส่วนใหญ่เพราะเราทําแต่เหตที่ดีไว้ แต่นี่มันนี่มันเป็นผลพลอยได้มากกว่าผลที่ตามมาต่อไปจากเห็นในปัจจุบันก็คือใจนี้จะมีความสงบขึ้นมากขึ้นมีความเยยนสบายมากขึ้นมีความดบมีความผอใจไม่หิวไม่อยากไม่กระหายกับเรื่องราบรืน่นสนุกสนานสด การจะสารเสพย์ยกย่องหรือไม่ก็ไม่สําคัญการจะตัณหิติเตียนดุจาว่าก่าวอย่างไรก็ไม่สนใจเลยไม่ใช่ไม่สนใจไม่สาคัญแต่ฟังรับฟังเสมอไม่ว่าใครจะสาเสพย์หรือจะลิงทาตัณหิติเตียนฟังเพื่อก่อฟังไม่ได้ฟังเพื่อเพื่อให้เกิดอารมณ ความดีใจห้ือความไม่พอใจฟั ง, งหาเหตุหาผลคือสิ่งที่เขาคู้นั้นเป็นประโยชน์กับเราเพราะบางทีเร า, าไม่เห็นโทษของเราบางทีต้องอาศัยคนที่คนอื่นที่เขามีธรรมะสูงกว่าเราช่วยชี้บอกเราเช่นเราเข้าหาครูบาอาจารย์ท่า น, นจะชี้บอกโทษของเราเป็นส่วนใหญ่ ท่านไม่ค่พูดเรื่องคุณของเราเท่าไหร่เพราะมันมีน้อยแล้วก็ไม่มีประโยชน์พูดไปมันก็ไม่ได้ทําให้เรามีคุณประโยชน์เกิดมากขึ้นแต่ผููแต่เรื่องั่วของเราแล้วมันทําให้เราได้ชำระด้วยการได้แก้ไขโทษของเราทําให้เราเกิดเป็นคุณมีเป็นคุณเป็นคุณกับตัวเรามากขึ้นเพราะงั้นการปไปห า, า, กกานักกานี่อย่าไปให้หวังให้ท่าน ลบย่องจังหน้าเสิร์ฟแลเตรียมรับคำดูด่าไว้ถ้าวัานไหนไม่ไดาวนี่แสดง ว, ว่าท่านไม่โปรดเร า, า, า, าท่านไม่เมตตาถ้าวันไหนท่านด่าเนี่ยโอ้ยท่านเมตตาคิดถึงเราเป็นห่วงเป็นใยเร า, ยหาเหมือนกับพ่อแม่ที่คอยสอนออลูก่อโขงใหญ่เพื่ออยากจะให้ลูกได้ดีได้ดีเห็นเรื่องทำประพฤติตนเองไม่เหมาะสมต่าง ก็คอยดูยาว่ากล่าวตักเตือนแต่ลูกมันก็มีกิเลส โ, โดนว่ากล่าวตักเตือนหน่อยแทนที่จะฟังด้วยเหตุด้วยผลฟางเพื่อมาเก่ อ, อก็กลับฟังแล้วเพื่อทํำลายเกิดอารมณ์โกรธเปรียดแทนที่พ่อคือหน้าที่บางทีก็โตเถียงกันอย่างรุนแรงบางทีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ ถ้าการได้ยินได้ฟังได้ทำอะไรนั้วมันจะได้มีแหละแต่วเวลาใครมาพูดอะไรเพราะว่าอะไรเราจะได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลจริ ง, รงเราไม่ได้ฟังด้วยอะไรอย่าไปหวังอย่าไปต้องการทําสรรเสนิญมนเป็ น, นขนมขนมหวานขนมหวานนี่กินมากๆเดี๋ยวก็โลกต่างๆแล้วกินเ บ, เบาหวานเบาหวานจะกินกินยาขงดีกว่ากินของของขมนี่มันจะหยันยา เหน็นเราทำยร่างกายแข็งแรงฟังตารว่ากล่ า, าวตักเตือนรับมันได้ไปอยู่เหมือนกับเหมือนกับภาพกระจกมาส่องหน้าให้เราเห็นหน้าของเราว่าเป็นอย่างไรมีตําหนิตรงไหน้นันเปื้อนตรงไห น, นผมหวีเรียบร้อยหรือยังล้างหน้าล้างกาสะอาดหรือยังถ้าไม่มีไม่ไม่มีกระจกให้ดูบางทีก็ไม่รู้ คนที่เขาบอกความผิดของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกระจกขางหน้าเราการจี่สอนว่าให้ให้ให้ดีใจเพราะเหมือนกับว่าเป็นการที่ขุมทรัพย์ให้ตับเราทั้งที่ความผิดของเราเนี้ก็เท่ากับที่ขุมทรัพย์ท่ายาวแล้ววันนี้นะขุณลงไปแถวตรงนี้นรเราจะได้ทรัพย์มาดีมันวิเศษขึ้นมาฤทิ์แต่นี้ไม่ดีฤทธิ์ชะเสียงโลกมงโถงสังอง์่เงี้ยฤทธิ์ชะเสียง อย่าเป็นคงเจ้าอารมณ์อยากให้เป็นคนมีเหตุมีผลถ้ามีสติควบคุมใจไว้อย่าปล่อยให้มันดีใ จ, ใจเพราะถ้ามันดีใจก็เี๋วมันต้องเสียใจทำดีใจก็เป็นทางหนึ่งอย่างเต่เวลาคนแสนร่ำรวยนั้ น, น, นดีใจพอคนไม่สนร่ำรวยก็จะเสียใจหรือจะจะจเดือด เดือดร้อนใจขึ้นหนังข้าเขาดุดาว่าต่าเราถ้ามีเหตุมีผลามีสติน้าใจมันจะตั้งอยู่ในอปุปบัขภามันจะไม่มีอารมณ์ อ, อะไรมันจะรับรู้จักจำรู้นั้นก็พิจารณาด้วยงปัญญาถ้าสิ่งที่เขาพูดนี้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ตาดี ทีนี้นจะเป็นการตรัณห์มันก็ตรณห์ ด, ด้วยด้วยเห็นด้วยผลด้วยความจริงหรือเวลาก็สรรเสริญเขาก็สรรเสริญด้วยความจริงเหมือนกันแต่คนที่พูดไม่ตรงกับความจริรงถึงแม้จะสรรเสริญเยี่ยงยอก็รู้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นการโกหกเราเป็นการหลอกให้เราดีใจ หรือถ้าเขาพูดในสิ่งที่ตรรันหนีนามในสิ่งที่มันไม่จริงก็แสดงว่าเขาตามไม่ดีหรือเขามีอารมณ์ไม่ดีพอบจะจะตรรันหนผู้อื่นพอ่จะทำให้ผู้อื่นเขาเออสียอกเสียใจเสอยเนื้อร้อนใจแต่ทำได้กับเฉพาะคนที่ยังติดอยู่กับนธ์คำสำัเญา การสรรเสริญมินทานคนที่ไม่จิดอยู่กับการสรรเสริญมินทานจะไม่จุดก็ไม่จุดกระทบทั้งส อ, งอย่างไม่ว่าจะสรรเสรีญหรือการมิ น, ามนาทานก็เท่าเดิมเราก็เท่าเดิมเรามีร้อย็่านก็มีร้อยเนะี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหักร้อยของเราให้เหลือเก้าสิบห้าได้นรือเพิ่มให้เป็นร้อยห้าสิบได้จากคำพูดของเขาเพราะเราจะ อย่เพิ่มากขึ้นหรืออ น, น้อยลงมันไม่ได้อยู่ที่การกระทําของผู้อมันอยู่ที่การกระทําของเราเราทาดีมากขึ้นเราก็ได้มากเกินน้อยขึ้นแไปเราทําดีน้อยลงมันก็ลดลงอ่ะ ม, มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่การกระทำของเราเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยผู้ที่เขา监察เราเขาเห็นว่าเรายัางทําไม่ถูกเราทาไม่ดีพอ เขาก็จะช่วยบอกทางให้กับเราการที่จะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้เสะโยชน์เราทำเองของเราเราก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ไปแล้วมันก็จะหยุดตรงนัน้เพราะเราคิดว่าเราดีพอแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านดีกว่าท่านรู้ว่ามันยังดีไม่พอางที่มีคําพูดว่าคนคนที่เห็นว่าตัวเองนั้นยังยัง ยังโง่อยู่นั่นแหละเป็นคนฉลจะเป็นคนที่ฉลาดได้แต่คนที่คิดว่าตนเองนั้นฉลาดแล้วคนนั้นแหละคือคนโง่เพราะเมื่คิดว่าฉลาดแล้วก็ไม่คิดที่จะสวงหาความรู้เพิ่มเติมความฉลาดเพิ่มเตก็จะก็จะโง่ไปอยูเรื่อยๆแต่คนที่คิดว่าตนเองยังโง่อยังต้องเข้าหาผู้รู้ ต้องอาตัยผูย้เล่นคอยชี้บอกเองมีคนนี้ก็มีโอกาสาที่จะฉลาดนะแต่มันก็จะมีถึงจุดหนึ่งที่มันจะรุนแก่ใจของตออัวเองว่าตออัวเองฉลาพอตัวแล้วถ้าดักกิเลยได้หมดนี่มันพอแล้วถึงแม้จะไม่รู้เรื่องวิชาการต่างๆวิชาวิศววิทย า, วว ศ, าววศาสตร์ชีวะหรือการบัญชี หรืออะไรก็ตามบวกลบคูณหาไม่เป็นอ่านหนังสือก่อขายขอขายไ่ออกะความรู้แบบนี้ไม่สำคัญขอให้รู้ทันกิเลสตากิเลสได้ันเนี้พอแล้ความรู้นี้มันเป็นสัมถิคืโกมันรู้อยู่ในใจของเราไม่หลงกับอะไรแล้วไม่ยินดีมาจากอะไรแล้วคนสมผัเสริญก็ไม่ได้ดีใจคนทาก็ไม่ได้เสียใจได้อะไรมก็ไม่ได้ดีใจเสียอะไรไปก็ไม่เสียใจ เก็บธาตุได้ตัวก็ไม่ได้ตกใจแกก็ไม่เดือด้อยตายก็ไม่เดือ้อนนี่นหละคือตารรู้ทางจิตวิรู้แบบนี้ถ้ารู้แบบนี้แล้วมันมันมันรู้อยู่กับใจความรู้แบบนี้ไม่ต้องให้ผมมาบอกก็ได้ว่าถึงที่รู้ยังอิ่มตัวรู้ยังเหมือนกับกินข้าวไม่ต้องไปถามคนเองว่าฉันกินอยู่างนี้ยัง มันรู้อยู่แต่ใจใจมันอิ่เ ม, มือมเอมมเ่ อ, อไหร่มันรู้ของมันเองใจมันไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับอะไรมันรู้ของมันเองอย่างนี้ไม่ต้องไปถามใครถ้ารู้แบบนี้แสดงว่าฉลาดจริง็นความรู้พอตัวแล้วไม่กังวลกับความรู้อย่างอื้นไม่อับมายทายหน้าถ้าเขีนหนังสือไม่เป็นอ่านภาษาังกฤษไม่ออกไม่ไม่ไมถืเป็นเรื่องสําคัญ อาจารย์พูกภาษาเกตุญาญาอย่างนี้รุ่งเรือคนเช้าต่างประเทศเยอะแยะเลยังถามว่าท่านสาอนยังไงพูดกันยังไงแต่เราใช้ภาษาก็รภาษาธรรมะมาษาธรรมะก็เลยนอนพยักหน้านไปพยักหน้าอย่างนี <c> ้ <oughs> ถาีน่นู่นที่นี่มันก็จัดมันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เห็นมันพูดกันมันอยู่ด้วยกันได้เนี่ย กัดบางชนิดก็พูดกันได้เช่นน้องเอ้ยก็บน้อพี่กันได้บ้างกห็นไหรแต่มันก็ไม่ได้เป็นกัดแยงเหมือนกับพี่เราพูดกันแต่มันมีวิธีที่เราจะสามารถสื่อกันได้ด้วยสายาด้วยกิริยาทางการต่างๆแวเวาเด็กนิดนี้พูดไม่รู้เรื่องเราทําให้มันกลัวเราทําได้สอนว่าอย่างนี้ไม่ดีนะก็อย่างรู้อรายกมือจะตีมันมันก็วิว่า ยอยางวิชาต่างๆอยาไปหลงประเด็นอยาไปคิดว่าต้องเรียนรู้ท้งโลกจบปัญญาตีโทเอกก่อนแล้วจะมีปัญญาภูมิปัญญาที่จะมาปฏิบัติธรรมยินดีดีมันกลับเป็นปัญญาขวางธรรมที่อีกทำให้กาเป็นมีคิุิหรือตนขึกนตนฉลาดครูบาอาจารย์สอนตอนก็จะต่อตั้งพักพานถึงอยู่ภายในไม่อยอมนับ ว่าความรู้ของทางโลกทางธรรมนีมันคนละเรื่องกันคราวนี้ทางโลกรู้มากแค่ไหนกิเลยิ่งกำมีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งหลงหลงตนเองมากขึ้นเท่านั้นแต่ความรู้ทางธรรมนี่่งมีมากเท่าไรกิเลยิ่งเล็กลงยิ่งน้อยลงไปเรื่อยอัตตาตัวตนนี้มันน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งเลือดเลือศูนย์เป็นศูนยตตาไป ธรรมวิสุิตาก็คือปรัชจาเกี่วกรบชีวิมาแลการสืบตระต้องรู้ว่าตอนถึงตอ ง, งวิเศษอย่างไรนคคนที่มีความรู้ทางโลกมากนี่จะคิดว่าตอนวิเศษเหมือนมีนักวิศวกรกลุ่มอย่างไปทบต์ปั่นภุมิปัญญาของพระป่ารูปนีามพระป่าแค่ว่า มันก็เครื่องบินนี้มันบินได้ยังไ ง, งก็หลวจิตจิตทาให้มันดินได้แต่เพื่ฟังเรากต้องหลงจินนะถ้าไม่มีจิตแล้วมันจะดินได้ยัคนมราถ้ามันมีจิตมันก็มัก็เป็นสรากขึ้เครื่องบินมันจะินขึ้นมาได้มันก็ต้องคนที่มีชีวิตนะี้คิดตร้างมันขึ้นมาผลิตมันขึ้นมาผลิตแล้วก็ต้องขับมันก็ต้องมีจิต จิตนี้เป็นใหญ่จิตวิจัยถึงเป็นใหญมโนิุนบังขมามโนมามนมนยามนโนเ็นทางทำทั้งปวงมีจิตเป็นเหตุเป็นเป็นประตานมีใจเป็นประทานถ้าไม่มีใจแล้วก็ไม่มีสิ่งต่างๆเลยทำเนื้อคุติดาราเหล่านี้ก็เกิดมาจากจิตใจ ร่างกายนี้ก็เกิดมาจา ก, กจิตใจไม่มีร่างกายาไม่มีใจร่างกายนี้ก็จะดำจากตัวไม่ได้ออกมาจากท้องแม่พอถ้าจิตเกิดทิ้งทิ้งร่างกายนั้นตอนที่คลอดออกมาเด็กคนนั้นก็ถือว่าตายไปแล้วหรือแม่ตายไปก่อนที่จะคลอดเด็กที่อยู่ในท้องก็คลอดไมได้เดี๋ยวถ้ามีหมอก็อาจจะช่วยได้แต่บอกว่าก็ต้องมีจิตเนี่ย แั้วมันหนีไม่พ้นจิตไม่ว่าจะทำอะไรยกเว้นสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีจิตกข้าไปเกี่ยวข้องเช่นต้นไม้ภูเขาแดดลมต่างๆอย่า ง, ง, ง, งนี้แล้มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องแต่สิ่งที่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องก็เป็นที่พวกเราอยู่กันครับที่เกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งวันนี้ก็มีจิตทั้งนั้นที่เป็นเดืที่ไปเกี่ยวขอ้องเ้อะ และจิีนิราที่เป็นต้นเหตุที่ให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเราเพราะในจิตทั้งแต่ละภพนี้มีอริยสัจสี่ทำ ง, งานอยู่ตลอดเวลาอาริยสัจสี่นี้เป็นเป็นเหตุผลสองคู่ฝ่ายทุกข์กับสมุสมทัยนี่เป็นหนึ่งคู่ฝ่ายมรรคกับฝ่ายมิโรอก็หนึ่งคู่อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนมี กำลังมากกว่าถ้าสมุทัยมีกำลังมากกว่าคือกิเลสปัญหามีมากกว่ามากกว่าธรรมะทุกข์มันก็มากกว่าถ้าธรรมะมากกว่าคือมรรคมากกว่าสมุทัยมากกว่าปัญหายันมีทานศีลภาวนามากกว่าความทุกข์มันจะน้อยกว่าถ้าไม่มีสมุทัยเลย ก็ไม่มีความทุกข์เลยฉันไม่ต้องไปหาอริยสัจขีที่น้อมันมีอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราจะมองเห็นมันหรือไม่เท่นั้นเองส่วนใหญ่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราศึกษาแล้วมันก็เป็นเพียงแต่ตัวนี้หนังสือตัวอักษร อ, อยู่ในหนังสือทุกสมัยนี้โรกทุกเป็นอย่างนั้นสมัยน้เป็นอย่างนั้นแต่เวลามันทํางานอยู่ตลอดเวลานี้ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกวมันทำงาน ถ้าภาวนาแล้วมันจะสติปัญญามันจะวิ่งเข้าไปตรงจุดนั้นมันจะเห็นการทา ง, งานเป็นเหมือนกับเป็นไปดูมวยชิงช้ปโลกกันระหว่าธรรมะกับกิเลสมันต่อสู้อยู่ในใจของเราใจของเรานี่กันเหมือนเวทีแต่คนในธรรมะจะมาเชียกิเลสกันทุกมันรลยดูมากแล้วพอกิเลส แยกบอกมาครับแล้วก็รีบตอบรับทันทีจะเที่ยวไหมเอาไปเลยไปวัดไหมก็ยังไม่ว่างเนี่เนี่ยจะได้ว่าเรากําลังชี้ี่เลยสี่เหลสมันเป็นคว้าแชมค้าเข็มัดแชมโลกไปเขาเอยาวิชาคืออะไละคือคือชมป์โลกก็คืออวิชชาโลกถ้าถ้าทำคว้าเอาเป็นขัดไปเป็นแชมปก็ นี่แมรรคผมนิพพานแล้วผมนิพพานก็เกิดจากทานสิ่ทอเลอยะนะแต่รรมีไม่ได้เกิดจากอย่างอืน่นไม่ได้เกิดจากพระพุทธาจ้าไม่ได้เกิดจากครูบ า, บาเาจยดจากมรรคที่เราต้องผลิตมันขึ้นมาในตัวของเราเองมาจากเทวสารนี่คือผลิตขึ้นมาเั่านั้นว่าให้ใหมีมรรคขึ้นมาได้อย่างไรเพื่ให้มีความขวนขวาย ให้เป็นผู้ใฝ่รู้สนใจศึกษาสังเกตสังธรรมท่ า, า, า, างหาพระรู้หาหาครูาอาจายหาพระพระสงองค์เจ้าที่รู้จริงเห็นจริงปฏิบัติดีปฏิบัติเชอบน้อมเอาคําสอนของท่านมาปฏิบัติอย่างจริงจั ง, ง, งไม่ใช่ไม่ศักแต่ว่าฝังวองเข้าหูซ้ายแล้วก็ออาหูขวากันไม่มีลงเนติอยู่ในใจไว้เป็นเชื้อเพื่อนําเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติเลย ถ้าฟังอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ยังไม่เกิดประโยชน์ฟังแล้วถ้าฟังได้ร้อยเราเอ า, เอาไปออกไิปฏิบัติได้ร้อนอย่างนั้นจะเกิดประโยชน์เราเมนสมายพุทธการที่เราฟังเทศน์กันแล้วเราก็บรรลุกันในตอนนั้นเลยส่ดนร้อนๆกันหละเรียกว่าฟวามความทั้งร้อยเก็บไว้ทั้งร้อยเอาไปปฏิบัติทั้งร้อยในในปฏิบันทํำอยู่นั่นเลย เอาไปพิจารณาในจิตในจเห็นอริยสัจสี่ที่กำลังปรากฏขึ้นมาอยู่ในจิตในใจเห็นสุนทรเห็นเห็นนาวิชาเห็นโมหะปรากฏขึ้นมามีมรรคเป็ติปัญญาทะลุทะลวงเข้าไปทำลายมันได้ในขณะที่ฟังถ้าเห็นด้วยใจรักเนี่ยลองเห็นเห็นอนิจจังทุกข์ของหน้าตาทุกสับส่วนของสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วมันก็ อริชาโมหะมันก็ไม่สามารถที่จะยุทนอยู่ได้อริชาโมหะมันเหมือนกับความมืดถ้ามีแสงสว่างของพระอาทิตย์ตอนเช้าโผล่ขึ้นมาความมืดมันอยู่ไม่ได้แสงอาทิตย์มันมีอนุภาคมากกว่าความมืดพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็องบความมืดมันก็สว่างจ้าเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างปฏิปัญญามิมัคของ พระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติอย่างนี้เขาจะเหยือนกับแสงสว่างที่จะไปทําลายความมืดของโมหะอาวิชชาต่างๆที่ไม่เป็นเรื่องของแต่เลยที่คนฟังเทศแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเพราะเขาฟังด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆเขาฟังทุกคำพูดนี้เขาฟังรับหมดเลยใจเขาไม่ได้ตีที่อื่นเลย ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่เสียงที่กำลังฟังแล้วาาก็เอาเอามาพิจารณาใน ท, ทันทีในขณะนั้นเลยถ้าแสดงธรรมถึงจุดที่เขาต้องการแสงสว่างนั้นเขาก็สามารถดึงแสงนั้นเข้าไปซึมในใจเขาได้เลยการแสดงธรรมท่านก็ต้องแสดงจากต่ำขึ้นไป เพราะว่าบวลาแสดงที่คคนฟังมีหลายระดับด้วยกั น, น, น, นกน็ต้องไล่ไปจากอนิวาณิบาลไปได้จากทานขึ้นไปสู่เสียงขึ้นไปสู่พลาภูมสมาธิสู่สสปัญญาสู่วิญญติกามพุคนฟังอยู่ตรงขั้นไหนก็อาศัยอายการแสดงนี้เป็นเหมือนกับเดินตามเย เราหลงอยู่ใป่าตอนคืนพอดีมีคนก็มีไฟก็เดินถือไฟมาแล้วก็เดินตามเข้าไปเยอะเราก็ถ้าเราเดินไปในความมื้เราก็มองไม่เห็นทางทีงพอมีคนถือตะเกียงหรือถือไฟฉายมาเขาเดินไปข้างหน้าเราก็ขอเชิญตามเข้าไปเยอะการสังเทศสองครรก็แบบนั้นอาศัยแสงสว่างของของคู้บาอาายของผู้แสดงเป็นผู้นำทางไป คนฟังก็เดินติดตามไปแบบอย่าให้ห่างเลยนีคนคนที่ไปถ้าตามไม่ทันตอนนั้นก็เดี๋ยวพอแสงสว่างปานไกลแล้วก็มองไม่เห็นก็ต้องหยุดก็ต้องรอคนคนใหม่มาถ้ารอฟังที่รอบเนี่เป็นตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนประกาศธรรมครั้แงแรกใจากพระปัญจวัคคีย์ตอนแรกทั้งนต้องมีองค์เดียวที่สามารถตามไปได้ แต่ตามไปแรกแค่หลักแรกเท่านั้นเองคือหลักของพระสุดาเลยยังไปไม่ถึงหลักของพระอรหันต์แต่หลังจากทรงสแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งองค์อื่นก็ตามธรรมทั้งห้ายุคได้บนรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมท้อมกันเลยหลังจากที่ทรงแสดงพระอนัตตลักษณ์คณะสูตรทรงสแสดงว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา สัพเทธรมานะตาโดยตอนนั้นจิตตอนนั้นก็ได้มรรนุอิยะขัานอื่นแล้วก็สมใจกัขัามสุดท้ายเขาก็เขาก็ติดตามได้ทันทีหยุดพ้นจากความยืดในสแสง็ว่าวหยุดพ้นจากการหลงทางที่อยู่ในตาให้ออควา ม, มได้ หลังกันนั้นก็มีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลากอบตนเองเพื่อออกไปสอนผู้อื่นต่อไปภายในเวลาเจ็ดเดือนนี้ก็มีพระพาลเจ้าพระพาะอาหารตากสาวุขอย่างน้อยกัหนึ่งพันสองห้าสิบีเจ็ดเดือนตั้งแต่วันแรกที่ทรงสดนพระธรรมเทศนาพระธรรมจัจัดกับสวัสนสิเสกิและมันเท็นเดือนแต่ มาถึงวันเป็นเดือนสามวันรครักอกลก็จบเดินก็นมีพระอรหันต์หนึสองรห้าสิบลูกได้มาพอพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นั่งเหมือนกันเลยก็พะระอรหันต์นี้เมื่อท่านบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าจะส่งสอนให้แยกให้กระจายไปคนอทิศคนละทางไม่ให้ไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ ในการเผยแผร่ธรรมจะได้ไปอย่างกว้างขวางชาฟังก็ไปสั่งสอนคนนั้นคนนี้เขาต่อฟังเขาก็บบแบบเยุเป็นทระอาหนานกันขึ้นมากันอย่างรวดเร็เวอาเรเจตเดอนนี้สามารถผลิตต า, ารางขึ้นมาไดา้อย่างน้อยก็หนึ่งันสองรยล้านชิตัวเงินจริงๆไม่รู้นะนั่นเราพูดต่อตามคำพูดจากหนึ่งพันสองร้่ยถึงเนี่ย ถึ่งพันสองร้ห้าสิบอ็ดลูปก็คิดแค่ต่างอย่าไปเถือว่าเป็นตาละสาร ะ, ะ, ะการโดยกันเพียงจะ่จำเรียนให้ให้ให้ให้ตาคร่าวๆล้วมันมากในระดับนั้น้างนี้ทางเขาเพราะว่ามีคนสอนมีคนนําทางและคนฟังก็ให้ความสําคัญต่อธรรมะมากมากว่าอย่ า, อารอมือเที่ยวช่วงที่เรียนรู้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชทั้งนั้นแนวลึกขั เขาได้สละทรับย์สมบัติท่อของเงินทองออกบวชนักษาศีลอยเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญาคือพระอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้ว่าทํางานอยู่ในจิตในใจเขาตัดโลกอยู่ตลอดเวลามีพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดจะรูเห็นเป็นองคนมากนี่ละคือก็เรียกว่าปัญญาคือการตัดจะรูต้องผ่านพระอริยสัจสี พระอริยสัจทนี้เป็นเหมือนกับด่านนี้เป็นที่ที่ผลิตตังยาเพื่อการทุนไม่ว่าตาเราที่อยู่รูปพระพทธาทิ่อยูก่ก็ต้องผ่านพระอริยสัจทีนี้ด้วยการทุนเพราะมันเป็นด่านที่ปิดกัน้นตักไม่ให้ได้รุดพ้นจากการยึดว่าตาถีก มีกร ะ, ยะโยเงเป็นเรื่องของมหาัิชาเรื่องของการให้ความสําคัญต่อธรรมะยิ่งกว่าอย่างอื่นอย่างเงินถ้ามีการจําเป็นก็ก็ต้องทำํำไม่ใช่ว่าไม่ไม่ให้ทํากุติรั่วก็ต้องซ่อมไม่มีกุกติอืาาก่ก็ต้องสร้างไม่มีศาลาใช้ในการบําเพ็ญก็ต้องทําแต่ให้มันมีขอบมีเขตมีตำมานเท่าที่จำเป็นอย่าไปหลงสร้างแบบหรูหรา เหนื่อยกับการจ่ายรายหาเงินหาทองมาสร้างสร้างเสร็จแล้วก็ลงมาเหนื่ยกับการดูแลรักษาเาคอยเก็บกวาดถือต่างๆบางทีวัดร้านี่มีวัตถุแต่หนึง่งแต่หามรพบุญผ่านนีเจะเข้าใจไม่ได้ให้ความสำคัญกับธรรมะใจให้ความสำ ข, ขับวัตถุต่างๆ ขอสรุปให้เหมือความสําคัญของทธรรมะยิ่งกว่าสิ่งอื่งใดได้สละสิ่งอื่นถ้าเราต้องเลือกระหว่างธรรมะกับสิ่งอื่นเก็ขอให้รเราสละธรรมะเพื่อสละสิ่งอื่นเพื่อธรรมะและ้วมรรคผลที่ผ่านมันก็จะอยู่แค่เรื่มอมมือของเรานี้เอง เรียว่าอาศัยชายท่าเรียงเกาะชายตะหลงไปสวรรค์ก็เพราวลาเวลาลูกเป็นพระเนี่ยใจยากต้อแม่กับสบายใจหายห่วงไม่ต้องกังวยว่าลูกจะไปจำมะเลยหเมาไปติดยาเสพติดไปประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมความสุขใจนี้เราคือสลรรค์แล้วย่งท่าได้รับการสอนจากลูกด้วย ยังไม่ยืได้ไปถึงนิพพานเลยหลวงพอ่อพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติการการพระบุตราการเลยเออที่แต่กี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของการได้ปิดกับเรื่องคำสันเสอร์นนะก็คงเข้ากับสาร ก, การตัวเองที่ว่าทำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีเนี่ย แต่ก็ได้รับผลที่ไม่ได้ดีนะฮะพี่ฉันทังอาจารยบอกว่าเราติดสันเซอร์ก็มาพี่นายเห็นไหมโอเป็นเพราะว่าตัณหาที่เรามีมราดิฆ่าทีหวงังสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นคราวนี้เวาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามใช้สติที่จะวางอุเบกคขามันแต่ไม่ไ ม, ไม่มีไม่มีความสามารถจะใช้ปัญญาที่จะไปฆ่ามันได้รู้อย่างเดียวว่ามีสติรู้อยู่ว่าก็วางเฉยกับสิ่งที่ที่ไม่ได้ที่ว่ามันจะได้รับนะฮะแต่ว่ากับได้รับมา มันก็้าเตือนอย่เรื่ต้องคอยตืนอย่เอต่อไปมันก็จะมันก็จะซึมราบเข้าไปแล้วมันจะหอังว่าการหวังผลตอบแทนในรูปแบบของการสำระเงินก็ดีหรสิงของอะไรต่างๆก็ดีนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ดีกับเรามันทาให้เราพ้อโกรนกังวลไม่เป็นหูเป็นกุศล ใจไม่สงกใจไม่เย็นใจไม่มีความสุขไม่มีความพึงใจจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีมีตัณหาความคาดหวังตรงนี้นะฮะพอท่านอาจารย์เทศเปตรงนี้ปุ๊บก็เลยร้องอ๋อว่าจริงๆลึกๆเรามันมีลึกๆเรามันมีเพราะว่าพอมันผุดขึ้นมาถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นใช่เพราะว่าเราไปคาดไปหวังนั่นเองถ้าไม่มีเราก้องทําเพื่อเงินเดือนเท่านั้น ทำแล้วเขาจ้างคนมาทํางานที่นี่แล้วก็ทําไ ป, เ, ปเดือนเราพอใจแค่ น, นี้แหละเขาจะให้ตาแหน่งหรืออะไรอย่าง อ, างอื่นเพิ่มหรือไม่นี่ไม่สนใจอย่างมาเทีนี้ก็อยากไปหวังว่าจะญาติโยมจะถวายข้าวเขาหรืออะไร <laughs> ะไปทำหน้าที่เขาไม่ให้ทักบายก็ไม่ว่าอย่า <laughs> งเดียร์ตอนการแคปขุดเป็นเจ้าของกิจการนรือคะ เร่งบงก็มันนี่ก็เป็นการท้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทําบุญถ้าเป็นเจ้าของกิจาการก็ถ้าอยากจะทําบุญก็เจ๊งก็เจง๊งไม่รวยไม่ได้ไม่กาไรก็มันเป็นไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นบุญบิ้นั๊มันสบายใจมันไม่เครียดเจ๊งก็เจ๊งได้เงี่ยมันไม่เครียดรับรองถ้าเงิกลัวเจ๊งอยู่นี่มันก็เครียดขึ้นมาทาได้ทำไมเราทําใจไม่ได้ ถ้ามันถ้ามันจะเจ๊งมันยังงั้นก็ต้องเจ๊งอยู่ดีอะแล้วเราเราต้องไปเครือกับมันด้วยแต่เราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเมื่อเราดีที่สุดของเราเนี่ยมันมันทําให้เราเจ๊งมันก็ช่วยไม่ได้แต่เราอย่าไปเสียสองต่อเสียสามแล้วอย่าไปเสียใจต้องยิ้มได้ต้องสุขลได้บอกว่าอันนี้จังทุกขังนักตาผู้ทําไม่ได้มันก็ยิ้มได้ เราไปตีเรล่กกันมากป็นตันเอาตีเงจังมากเป็นตั น, มน ไ, ไม่รู้ว่าเป็นการเล่นละครเป็นของเล่นทั้งนั้นทับสมบัตเท่าของเล่นท่าเป็นตัไในมากรเขากูเขาตายไปกระเท่งแค่คนเดีเขาเมืมม่อเาติดตัวกันตั้งแต่ตะตังเดีเอาไว้ในตักแต่คนเหนื้องออกมาเอาท่าที่พอเอาท่าที่จาเป็น ออกมาเพื่อมาสนับสนุน ง, งานหลักของเราคือการปฏิบัติธรรมน่ากายมันก็ต้องมีข้าวกลิ่นเพืะอภาวนาได้มีมีปัจจัยสี่อเอาเท่า น, นี้แหละพอมีปัจจัยสี่แล้วอ ย, อย่าไปเสียเวลากับการหาเง ห, งหงงนึ่ทองเลยปวยการสาวไม่เกิดประโยชนะไรธรรมะสิ่งที่เราขาดมากๆก็คือธรรมะ สิ่งที่เรามีมากเกินไปก็คือเงินทองตรามีแล้วก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปคือซื้อของที่ไม่จําเป็นของสิ่งใดที่เราซื้อมาไม่จําเป็นนั้นนหละเรียกว่าเอาไปเลี้ยงกิเลสนะเอาไปสร้างสมุทัยให้มีกําลังมากขึ้นซึ่งฝืนกับหน้าที่หลักของเรางานหลักของเราก็เพื่อที่จะทําลายสมุทัยให้มันเบาบางลงไปสมุทัยมันเป็นเหมือนเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรค โยกในร่างกายเรากินยาเข้าไปก็เพื่อที่จะไปทําลายเชื้อโลกไม่ใช่กินยาเพื่อที่ไปเสริมกําลังของเชื้อโลกให้มันมีมากขึ้นถ้ากินผิดยามันก็ไปทําให้เชื้อโลกลมีกําลังมากขึ้นโลคมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งกําเริบอย่างใจก็เหมือนกันความทุกข์อของเราเกิดจากสมุทัยความอยากต่กางๆความอยากความต้องการในสิ่งที่ไม่จําเป็น ถ้าต้องการในสิ่งที่จําเป็นเช่นปัจจัยสี่โดยประมาณอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นปัญหาเรียกว่าเป็นความจําเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราให้อาหารให้ปัจจัยสี่แก่ร่างกายตามพอประมาณคือตามความจําเป็นตามความต้องการของร่างกายแล้วก็พอแล้วอย่าไปเสียเวลากับ กาับเรื่องเหล่านี้บางทีหามาแล้วมันไม่พอประมาณบ้านนี้ต้องราคา100ล้านรถต้องราคา2ี่สิบล้านสี่สิบล้านเอาก็ทำไมรถสี่สิบล้านกับรถสี่แสนมันก็เล่นแผนที่หมายอันเดียวกันแต่ควออามเหนื้ยมันหลอกให้เราไปสร้างปัญหาให้มนมากขึ้น เราไม่มีความสุขเราคนเองเห็นยากจะคิดว่าเขามีความสุขมีรถสี่จุดน้อก็ต้องห่วงคองคอยกังวลแล้วจะจอดท่ไหนได้ใช่ไหมเสีย<ม>ที็ะ่อมไม่ใช่ถูกถูกีถทีค่าซ่มรถทัซ้ายอาจจะไปื่อรรถได้ทนันเองนี่คือความเอทา่านให้ไปไปเลี้ยงตังหา ก<ป>ิเลสมันจะหลอกให้เราไปเนี้ยงปันหาให้ม <ine> ีกำลังมากขึ้นให้ใหญ่ขึ้นเราจึงต้องมีความอยากเล่นต่อการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกมำลังน้อยสั่นโย่เล่นกับมันน้หมน้อยก็คือเขาอย่าไปมักมากมัดน้อยเอาพอดีเอาข้อที่จําเป็นบ้านถ้า พอ่าเาได้อยู่ได้ไม่ต้องไปซื้อก็ได้เพราที่มันหลบแาดหลบฝนได้ก็อยู่ได้อาหารอยู่ใกล้ตรงไหนมันกินได้สะอาดกินได้อิ่มท้องไม่เจ็บข่ายได้สเพราะกินมันจะเถอะไม่ hmm. ต้องไปขับรถไปร้อยกินเอาเพื่อจะไปกินอาหารทานโอชะฝจากนั้นมันไปยแบบตี่หล็กาไป เนี่ยมีวันมากน้ยสังเวยยิ่ดีตามมีตามเกลืมีอะไรกินก็กินไปใครก็เขาจัดอะไรผิวถึงเวลากินอยู่ใกล้ตรงไหนมีอะไรพอมกินได้ก็กินไปจบกินอิ่มแล้วก็จบนั่นอย่าไปกินมากถ้ากินถ้างดกินหลังเที่ยงวันไปได้ยิ่งดีใหญ่แล้วถ้ากินวันนันเนื้อได้ยิ่งยิ่งดีขึ้นไปอ่ะ ให้มงมันไม่กินบ้านกันยิ่งดีอ่ะมันกินมากกินคกนไปมทําให้เวลาภาวนานี่มันะหมือนกับลากเรือลากของลากรถที่มันมีของมันทุกหลักๆมันไปไม่ถึงไหนถ้าร่างกายเบาเนี่นั่งสมาสนั่งพอนานก็ไม่ง่วงขงงเขงางอนเดินจยกงบก็มีกำลังกระตับกระเจง ถ้ากินมากๆแล้วจะคิดแต่หาหมออย่างเดียวหมอนอยู่ตรงไหนหมอนอยู่ตรงไหนถ้าฤๅีสอนให้มีประมาณในในการรับประทานอาหารเนี่ยมันก็มีหลายท่านท่านท่านไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปน้ำก็ท่านแมกท่านฤีสอนวรับประทานเพีเดียวทั้งเดียงต่อวันท่านที่สามก็อดบ้าง กมดที่ละสามลนห้าอะไรบ้างถ้าถูกกระจหลกมันจะช่วยการภาวานาให้ไปได้อย่างรวดเย่อเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้วเวลาอาหารนี่มันจะทุกข์ทางใจมากจิตมันจะคิดแต่เรื่องอาหารเราต้องภาวานาเพื่อดับความคิดนี้ทั้งนั้นเองพอความคิดนี้หยุดรักความอิ่นความหิวหายไปความความอิ่นนั้นเข้ามาแทนที่เพื่อความอิ่มใจมันเข้ามา แล้วความอินใจนี่มันมีอำภาจมากกว่าความรูของร่างกายมันทาให้รู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ค่อไม่ก็อหรือมันก็รู้สึกเพี้ยนๆอย่างนีเหมือนกับวันที่เรามีความสุขใจแล้วเราลืมกินข้าวไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนก็ความสุขใจความอินใจมันมันมีอำนาจมากกว่าความรูของทางร่างกายมันดับความรู้ทางทางร่างกายได้ แต่ถ้าไม่มีความสุดใจอิ่มใจตอนให้กินเสร็จอิ่มใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเห็นขนมเห็นเขาสวดขึ้นมาก็าหิวขึ้นใหม่ิง น, <c oughs> น, นี่คือด่านแรกที่เราต้องพยายามทำให้ได้คือการรู้จักประมาณการรับประทา น, นะะ <c oughs> อาหารการภาวนาที่เกยพูดแล้วว่ามันต้องมีปัจจัยเสริมสนับสนุน การมีมีรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารนี้ก็เป็นข้อหนึ่งข้อที่สองก็น้ำหวงเป็นเสียกาหู ต, น, ต น, นูกม้อกายอย่าไปดูอย่าไปฟังไอ้เรื่องที่ไร้สาระต่างๆของที่เป็นบนเทอให้เกิดความพเพลิดเพลโทรทัศน์ติดวิทยุติดเพ็งไม่ฟังวิทือนิยายต่างๆไม่อ่าน ถ้าจะทำก็กกทำแค่ความทำวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าจะติ่ที่ไม่ไปอยู่ที่ห่างไกลาจากสิ่งอย่านี้เช่มาอยู่บนเ้านี้มันจะไฟฟ้าไม่มีนะครับตัดไปได้เยอะล้วหัวทัดไม่มีแอรอไม่มีตู้เย็นไม่มีไปอยู่ในป่าอยู่ที่มันไกลห่างไกลาจากทางเาร เพื่อจะได้ปิดกวายทั้งห้าสิ่งกิเลสมันเข้าออกมีทางเข้าออกทั้งกิเยดอยู่หกทางด้วยกันทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นห้าเราทางใจนี้ก็หกถ้าเราปิดแค่ห้าจะเหลือทางเดียวเวลาจะจับกิเลสจับโจมผู้ร้ายมันก็ง่าเราคนเดียวเราไปอยู่ที่ห้าหกจุดไม่ได้เราจะจับโจมเนี่ยเราไม่รู้วมันจะออกมาทางไหนมันออกมาต้องหกทาง เราก็ปิดมันก็ห้าทางล็อกประตูไว้ห้าทางถ้ามันออกมาทางเดียวเราก็นั่งเฝ้าดูเหมือนงั้นะเดี๋ยวมันก็ออกมาถเราปิดปิดตาหูเฉลิมลิงการมันไปให้มีเกิดกิเลสทางตาเฉลิมลิงการนะมันก็จะมีเหลืออยู่ในใจมันก็จะคิดทุกข์ข้าดอยใจคิดอยากคิดมีอะไรอยู่ในใจนั่นแหละมีสติก็เฝ้าดูงั้นมันอยากมันก็ดับมันไปดับมันไปเดี๋ยวมันก็หมดเอง กิเลสมันหมดเพราะว่าเราไม่ทําตามคําสั่งของมันกิเลมันมีมากขึ้นเพราะเราทําตามคําสั่งของมันสั่งให้ได้เปิดธรรมทานนี่มันก็ากขึ้นอีกตัวหนึงสั่งให้ได้เปิดตัวใหญ่มันก็เพิ่มขึ้นเลยอีกตัวนึงถ้ามันสั่งแล้วเราไม่ไปเหลือตัวนั้นมันก็มันก็หายไปเพราะสั่งทีไรก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ผลมันก็ไม่สั่งต่อไปมันก็ไม่สั่งเหมือนการสูบบุหรีอยากจะเลิกสูบุหรี กิเลสมันจะทำเอาพุทีมาสู่ก็มัวๆีลยไม่สู่นี่สู้ก็ ส, สู้กันไปอย่างนี้ยมันสั่งอยู่ทั้งเราก็ไม่ทำตามใ น, นที่สุดนันก็ยอมแพ้มาอย่าไปยอมแพ้กันก่อนวิธีที่ที่ดีก็คืออย่าไปสู้แบบแบบแบบแบบแบบแบบที่เชื่อยังงี้ไม่มีกําลังสู้แบบทําสมาธิไปดีกว่า อยาให้มันมีโอกาสได้คิดงเลยอยาให้มันมีโอกาสได้สติมเลยฝึดปากมันไว้มันอัพมันใช้ใจนม่ไเป็นตัวสั่งการเราก็ต้องหยุดใจไม่ให้มันทํางานไม่ให้ใจคิดตรงได้มันก็ทํางานไม่ได้เมื่อเราหยุดใจได้บ่อยๆเท่ามันก็ไม่มีทางที่จะมาสั่ ง, ส, งสั่งเราได้เพราะใจที่เป็นเครื่องมือของมันเร า, า, เ, ราเราคุมมว้อยู่ เนี่เราถือกุญแจรถไว้เนี่ยลูกจะขโมยรถไปขับมันไปไม่ได้หรอกพรเราถือกุญแจไว้แต่ถ้าเราเก็บกุงแจไว้ในรถเดี๋ยวพอเราผลนอนหลับลูกมันก็เอารถไปขับไปเที่ยวได้เน่เราต้องขูมใจเราให้ได้ให้มันสงบในขณะที่ไม่สงบก็ต้องเฝ้าดูเหมือนพราะเราไม่สามารถสงบได้ตลอดเวลายังทําทิ่ให้สงบได้ตอนนั้นเราก็สบายไม่ต้องมาดูเหมน แต่พอมันออกจากความสงบมันเริ่มคิดตรงแล้วเราก็ต้องดูมันละมันจะคิดไปในทางไหนคิดไปในทางกิเลสมันคิดไปในทางธรรมมันคิดไปในทา ง, ทางกิเลกก็ตอรีบออกมาคิดในทางธรรมเช่นออกจากสมาธิแล้วก็พลิกพลังนะอาการสาสิบสองไปเลยอย่าให้มันอยู่เฉยถ้าอยู่เฉยปั๊บเดี๋ยวมันจะคิดหา หาเป็นในทางกิเลสหาโทรทัศน์ดีอย่างที่เพื่อนเขามาเล่าให้ฟังนั่งสมาธิเจ็ดอากจากสมาธิเขาเปิดโทรทัศน์เลยพออจากสมาธิต้ <c oughs> อบไปให้มันดูหนังกายคตาสติเนี่ยเกีดตาโลมาหน้าขาตาตากระเจียวดโทรทัศน์นั้นในภายในนี่แหละเปิดโทรทัศน์ภายในดูอาการสามสิบสองดูผลผลได้ฟังดูวันนิจกรเกิดแก่เจ็บตาย ดูวัคตุสาตายแล้วเป็นยังไงญาดูไม่มีใครอยากจะดูคนตายไนหะเวลาไปงานศพไม่มีใครเห็นคนตายนะเขาปิดไม่ไม่ึิดไม่เห็นทาไมปิดทรไมของดีแท้ทตนตั ญ, ญ า, า์ยาแท้ๆอยู่ตรงนั้นการกิเลสมันมันให้มันแม่นมิยาาให้เ ก, กิด ถ้านจะกลัวอะไรก็ร่างกายของเราตายไปมันก็เป็นร่างกายนี้เป็นแต่เอามันเน่าลงไปไปดูของคนอื่นาเราจะได้เอามาเปรียบเทียบกับของเรามันก็เหมือนกันร่างกายของใครก็เหมือนกันทั้งนั้นเป็นอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งนั้นกาพิจารณานี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นมา แล้วมันก็จะปล่อยวางกายได้แล้วก็กลับไปนั่งพอพิจารณามากๆกันใหญ่ก็กลับไปนั่งพิรารณต่อนแล้วเกิดดุจนาก็พิจารณาเวทนาต่อด <seja> ุจนาก็ก็อนิจจังทุกขังอนุตาัิจฉก่อนให้เราเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยึงของเขาไม่ต้องไปยินดียึงร้ายกับเขาไม่ต้องไปรังเกียจเขาเพรเวลาไปแล้ว ความบางกีย่ยวนี้ก็คือสมุทยัยต้นเหนตุของความทุกข์ใจเออความทุกข์ใจนี่มันมันเจ็บปวดมากกว่าความเจ็บปวดของร่างกายที่เราต้องการดับก็คือตัวนี้ตัวสมุทยัยที่สร้างความเจ็บปวดทางจิตใจความเจ็บปวดทางร่างกายเราไปอย่าไปยึ่งของมันความนินไปความยิ้มมันเกิดขึ้นได้อย่างามุกกระหารไป้นมันก็ดับเวลาของมันเอง มันไม่เป็นโทษมืนไม่เป็นทุกย์เป็นภยัยไอ้ตัวที่เั็นทิพย์เป็ น, นภัยก็คือทุกข์ใจความเจ็บปวดทางใจที่เกิดจากสมุทยัยความอยากให้เวทานาทางกายีีดับไปหายไป น, ยนืความลังเกียจความกลัวไอ้ตัวนี้ต่างหากที่สร้างความความเจ็บปวดทางด้านจิตใจไอ้ตัวนี้เราดับได้ ยอได้ด้วยการทำใจให้เป็นอุปเกษายอมรับความจริงของเวทนาว่าเขาก็เป็นเหมือนกับฝาาานฟ้าอากาศหิมฟ้าอากาศหิมฟ้าอากาศเราเราลับมันได้ทุกคนมันหนาวเราก็รับได้มันร้อนเราก็ลับได้ฝนตกเราก็ลับได้เราไม่จะไนเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของหิมฟ้ากากาศนะฝนตกเราเอาไปข้งนอกก็การร่วงเสีย ถ้าออกไม่ได้ก็นั่งอยู่รอให้มหยุดก่อนแล้วค่อยไปเวทนาก็องอย่างเดี้วถ้ามันทุกข์ก็ปล่อยให้มันทุกขไปเดี๋ยวมันก็หายเจ็บของมันตัเองถ้าอย่างนี้แล้วใจมันทำไม่ทุกข์ใจไม่ต้องกินยาแก้ปวดจริงๆถ้ามีธรรมะนี่แหละคือธรรมะองค์เดียว คือการทํำใจให้เป็นอยู่ใบขาด้วยปัญญาด้วยการปล่อยวางดวทนะทางกายเทนานี้ทุกเวทานานี้มันก็มาทั้งห้าทวารเนี่ยเราเห็นนั้นสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นคนที่เราเกลียดที่หน้านี่ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นอย่างเมื่อได้ต้องสัมผัสต้องกินอาหารที่เราไม่ชอบนี้มันก็เกิดความทุกข์ทุกเวทานาขึ้นมา ทางทางขันมันไม่ได้ทางใจแต่ถ้าเราทําใจให้เฉยๆชอบไม่ชอบเรกินมันอย่าไปอย่าไปเกิดความยินดียินร่าใชอย่างคิดว่ามันก็เป็นธาตุอยู่ยินน้ามไปร่างกายมันไม่รู้หรอกว่าอาหารที่มันกินเนี่ยมันมันดีชั่วอย่างไรไอ้ตัวรู้มันไม่ได้กินมันเพียงแต่รู้ว่าอาหารนี้ไม่อร่อยแต่ไอ้ตัวกินนี่มันไม่รู้ว่ามันกินอร่อยหรือไม่อร่อย ร่างกายมไม่รู้เรื่องคนนั้นมีตัวรู้อยู่ในร่างกายตัวรู้มันไม่ได้กินตัวรู้เหมือนคนน้านข้างๆกายแล้วบอกให้กายกินทิ่นั้นกินนี้แล้วไอ้คนนี้อยู่ข้างๆเนีมันดีใจเสียใจจากการกินของร่างกายเป็นไปได้สำหรับนับรู้เรื่องบนลดรสของมันลงเอแต่ร่างกายตัวที่กินนี่มันไม่รู้อ่ะมันก็กินพอพอมันถ่ายราคอเข้าไปแล้ว ม, มันก็ไม่รู้แล้วเป็นรสชาติอะไะ ในาตเพื่อสัมผัสแค่ไมก่กี่วินาทีสัมผัสตรงลิ้นนั่นเองสัมผัสตงตาสัมผัสตรงจมูกเราผ่านเข้ามาลอคอแล้วจะะทุกข์เพราะความกงานัเงทุกอย่างนูง่ที่ความกลงท่าเงเกิดทุกข์เพราะสุขไยเราเราเห็นภาที่เราไม่ชอบอนี้นก็เป็นสนุกไยแบบมีแสมีอติย เกิดควาเกี่ยนเกิดวิภาวะต่ไม่อยากเจอไม่อยากจะเจอไม่อยากจะทุแต่ถ้าเราไม่มีวิภาวะต่างๆก็เฉยๆหรือแม้ว่าในอดีตเราเคยไม่ชอามันแต่ตอนนี้เราทาใจได้เราก็ไม่ทุกข์เคกลียดที่หน้าตรงนี้เจอทีลรจันจะว้อนขึ้นมาเฉยๆแต่เมื่อปฏิบัติทำภาวนาทาใจให้เป็นเบกขาได้ยอมรับว่าสนใคญก็ได้ทายนาก็ได้เฉยๆ ที่ตรงนั้นรู้อยู่แต่ไม่ตลุ้อต่อใา่ไม่กลุ้มต่มีปัญญานะงับอย่าว่าตัดอย่าว่าเป็นรูกอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าเห็นอะ้รก็ให้ตัดแต่ว่าเห็นได้ยินแล้วก็ตัดแต่ว่าได้ยินตัดแต่ว่าตัดแต่ว่าเป็นลูกเป็นนการทุกการหน้าตาเกิดดมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปเราก็จะนินเขาไว้ไม่ได้ ถ้าเราเห็นอย่างนี้แนละ้วเราไม่เดียเราไม่ห้ามเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเรายังเดินอยู่และยังห้ามอยู่เราก็จะทุกข์ทุกทัางเห็นคนนี้หมาไม่เอาไม่ไม่ต้องการอย่ามาอย่ามารูาใจนะคนที่เรารักเวลาเขาจะไปเขาอยากไปอยากไปอยู่พักอยู่ก่อนคิดถึง น, นี่คือธรรมอุทยที่เกิดจากสัญญา เห็นภาพแล้วก็มันมีสัญญาแดงอยู่สัญญาแดงแวานน่าเออภาพอย่อ น, นี้น่าดูดีภาพอย่างนี้น่ารังเกียจไม่อยากจะดูอสุพหะกันเนี้ยเราดูแท่ขั้นเนี่ยคือตรงนี้ค่ะเราเราเห็นแล้วทำดีร้ายมันเกิดแ ล, แล้วแล้วพอเรารู้สึกเราก็หยุดนั่นทีนี้เอ่อ ค, ค, ค่อรู้สึกว่าเ อ, อ มันหยุดเพราะเราไปหยุดมันแต่ว่ามันไม่ได้หยุดไปเองอะค่ะมันยังไม่มันไม่ยังมันยังไดม่ทะลุ่ยมันเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นคือเรานั่งฝึกใจของเราให้ชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบให้เราไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเพื่อที่จะมาก็เรียกว่าทําให้มันสมดุลให้มันอยู่กลางคือมันกล่ยมาทางชอบแล้วก็ดึงกลับมา มันแขวงไปทางเราชอบแล้วก็ดึงมันกลับมาให้มันอยู่ตร ง, งกองกายเราก็ต้องฝึกดูภาพที่เราไม่ชอบเป็นดูภาพอสุธาเนี่ยไม่ชอบดูปไปเรื่อยๆจนผินชาต่อไปเราก็จะไม่เกิี่ยงความลำเคยียดเป็นนักศึกษาแพทยแพทที่เขาต้องท่ารือสัตว์ประหลาดที่เขาจะต้องจะสร้างศพอยู่ทุกวันเพราะเห็นจจังๆใจจะแท้งใจของเขามันด้านไปทับแอแอภาพอย่างนี้น เขาไม่มีปฏิปิเรียกโตครับมีเพียงการพิจารณาต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆจนกระทั่งจุดตาจิตใจานกระทั่งทำให้ใจนิ่งสงบได้กานพิจารณาใหม่้มันจะเกิดอาการเจ็บเสียขยะแขยงก็ต้องบังคับพิจารณาเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายเสียขยะแขยงไปหายเมื่อไหร่จะแสดงว่าเราได้รับได้แล้ว แต่ตอนต้นนั้นก็เป็นธรรมดากิเลสมันมีกำลังต่อให้มันเห็นภาพที่มันมันไม่ชอบมันก็จะมีปฏิเสธทันทีในเห็นภาพที่มันชอบมันก็มีปฏิเสธทันทีแต่ต่อไปถ้าเราพิจารณตนีย่งถ้าเราพิจริานะไปถึงพื้นฐานของภาพแบบนี้ว่ามันมาจากอะไรไม่ก็มาจากดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยของต่างๆในโลกนี้มันมันไม่ได้มาจากอะไรทั้งนั้น คนมาดูขาใบญ้าล่างของมนุษย์ล่างสองไ ด, ดาาินถานมันก็มาจากดินน้ำนมไก่ไม่เห็นมันจะไปต้องไปลังเกียจเมื่อไปดื่มดนนนไปไปนนีกับดินมน้าลมไก่ใหญ่ใหเราเห็นดีเห็นน้ำไม่เลยทำไมไม่เห็นไปไ็นเราแค่เฉยเฉยเห็นน้านีา่เราบางังเกียจนะไม่รังเกียจเราดินมดีไม่นนเราก็ไม่ดินดีแต่พอเราพาัฒนาปรุงเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมา้าไปยินดีแล้วก็ไปลังเกียด ชอบคนนี้เกียดคนนี้เพราะมันอยปัญญามองด้วยอารมณ์มองด้วยสัญญาความที่เคยปลุกฝังมาในแต่ละภพแต่ละชาติของพวกนี้ไม่ต้องสอนกันเรื่องชอบเรื่องชงังของแต่ละคนนี้ันมาติดกาว ม, มากับใจบางคนก็ชอบสีแดงบางคนก็ชอบสีเขียวบางคนก็ชอบคนยุบร่างหน้าตาอย่างนี้บางคนก็ชอบคนผิวขาวบางคนก็ชอบคนผิวดำ มันมันเป็นสิ่งที่มันถูกฝังมากับใจมาตลอดนี่คือสิ่งที่เราต้องมาแก้ถ้าเราพิจารณาด้วยสัรรมยาให้เห็นว่ามันก็มาจากแค่ดินน้าล ง, งไปเหมือนกับขนมเนี่ยขนมมันก็มาจากแป้งน้ำตาลไข่แล้วก็มาทําให้เป็นขนมชนิดต่างๆทองหยิบหอยทองเค้กเคอะไรมันก็มาจากไอสิ่งตัวนี้เ <c oughs> ี่น่ากัวม เวลาเห็นแป้งเห็นน้ำตาลไม่เห็นอยากกินเลยออกก็เป็นเค็งแล้วนะเพราะเราไม่ใช้ปัญญาเะเราไม่ใช่ปัญญาแล้วพอมันกินเข้าไปออกมาก็ไปรังเกียจมันนะมันก็เป็น น, น้ำลงไปเหมือนกันรต้องเข้าใจว่านนเนี่ยน้าลงไปมันเรื่อนกอนให้เราดู มันจะเป็นหลงมันมันหลอกเราดีก็หลงนะมันเกิดก็หลงนะต้องรู้ว่ามันแค่ดินู้ดีไฟมาในรูปแบบต่างๆในรูปรกลิ่นผีสารต่างๆรสต่างๆที่เวลาท้าท่านอาจารอาหารท่านพิจารณาแบบนี้นะท่านอาจารย์ว่าสิ่งนั้นแต่้อ่แยกออกมาเป็นธาตุถ้าหนึ่งคุกมันได้เนี่ยเมื่อตนเทมันก็ไปในบาศเนน ต อ, องหยิบปล่อยชแกงเขียวหวานเค้เค้กใส่แซนด์เข้าไคุกคุกมันเป็นเหมือนกระเข้าผัดเลย <c oughs> อร่อยใอนตาเลยลองทำดูเลยมันก็เราไปดูกันอยู่ในเท้าอย่างนั้นอ่ะมันมันจะไปไหนอ่ะมันไม่คุกตรงในบานว่าเราไปคุกกันที่ไห้าอ่ะยิ่ง <c oughs> คุกในเท้ายิ่หน้าดิบเลย <c oughs> ใช่ไเจ้าเผ็ดติบหวานเนี่ย ทำดูสิทาได้ก็ฉันด็ไปช่วยนั่นแะทำเพื่อชนะมันนะเมื่อชนะแล้วก็กินเป็นปกติดได้ไม่ต้องกินไปตลอดชาติหรอกทำไปเพื่อตัดไอ้ความคู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้นั้นเองหรือว่ามันก็แค่สีก็งอ่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มนันใรรูปแบบต่างๆ ลองหับตาดูว่าตัดของที่เราคุ ก, กินเข้าไปนี่ก็มีเปี้ยวหวานมันเค็ ม, ม เ, เ, เนี่ยเป็นแต่เราเรืองตอนนี้ต้องเปรี้ยก่อนเดี๋ยวค่อยหวานวเดี๋ยวค่อยเค็มคุณมันนึกว่าหลัทั้งหายดูตรงน้พูดติ ช, ชายเยวก็ใโอกาสนหน่อยอย่างนี้เพราะนันเขาจะมีโอกาสเลื่อนขั้นขเขาขึ้นไปได้ยังไงถ้าไม่มีไม่มีทางถ้าไม่เป็นบนุทแล้วไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาใครจะมาสอนเรื่องเหล่านี้ มีพระพุทธศาสนาศาสนาเดียวที่สอนทางด้านปัญญาศาสนาอื่ยก็ยังสอนให้เรามีติดอยู่นันะสอนได้แค่สมาธิไใครสวดมนต์ให้นัรับลูปกประคำหรืออะไรไปสวดมนต์ใส่ก ร, สระสือพระเจ้าแะ้วนี่ก็เป็นการภาวนาทำสมาธิแต่ไม่มีใครสอนเรื่องเรื่อง เ, องเหล่านี้ดินน้ำลงไฟปัจเจตธรรมานะจษะ พระพุทธเจ้าเดียวกันที่จะสอนอยังไงก็นดะ้เมื่อเราถ้าโชคดีได้เจอได้เจอศาสนาอารยที่สามารถสอนถึงระดับปริญญาอื่นได้ศาสนาอื่นสอนได้ถึงระดับปริญญาโทนะเรื่งกรรมฐานอะไรที่เราไปเรียนบางแห่งก็สอนได้ถึงระดับปริญญาโทบางแห่งก็ได้ถึงปริญญาอีก ศา ส, สนาก็เป็นแบบนี้เหมือนก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยตอนแรกแต่ระดับทางกันศาสนาก็สอนแค่ระดับทานระดับศีลระดับภาวนาระดับสมาธิอย่างวิชาศาสนาพวกนี้ไปถึงปัญญาเลยไปถึงสัพเพมานักตานักตาก็คือดินน้ําลมไฟกับใจท่าทั้งห้า ที่รอยอยู่ในธาตุหคืออากาศคานั อ, ายอย่างหนึ่งคือบางครั้งเวลาที่ฟังอะไรห ร, หรือดูอะไระจิต ม, มันชอบแย้งนะคะคือแย้งอะไรไปไม่มีประโยชน์มนได้แย้งยแต่ว่าคอยจะแย้งหรือไมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรมันจะนิสัยไงมันจะนิสัยิดมา แล้วก็ต้องแก้นั้นเวลาฟังก็ฟังอย่างนี้อย่าไปคิดกลุ่ให้มีสติเก็บจอดอยู่กับเสียงที่เราฟังพิจารณาตามนะฮะแล้วจะแยงก็ไม่เป็นไรแย้งก็รู้ว่ากําลังแยงแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาแย้งบอกว่าอาจารย์นี้บอกด้วยว่าเป็นเวลาฟังจะแยงไว้รอให้ฟังเสร็จแล้วไปนั่งพิจารณาสิ่งทั้งหมดที่เราฟังมาแล้วสิ่งไห้ที่ เราฟังแล้วมันเราแย้งได้เหตุผลเราดีกว่าวก็ก็แย้งได้ถ้าบางทีคนแสดงอาจจะแสดงไม่ถูกเหตุกผลก็ได้เราอาจจะถูกก็ได้คนแสดงอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะคนแสดงมันก็มีหลายระดับตั้งแต่พุทธชนขึ้นไปถึงพระอรหันต์หรือที่ว่าเราไปฟังคนไหนก็แสดงถ้าไปฟังพุทธชนแสดงเขาก็บอกให้เราไปถอดข้อ ถ้าไปนอ น, นใ น, งนลงศพ น, นี่เราก็แย้งได้ในใจของเราว่าเอ๊ะมันจะไปสดะกดข้อคาได้เลยะตายมาทำแบบนี้นะตรงนี้เราก็แย้งได้นี่ถ้าเรามีท้องเหนือกว่าคนแสดงแล้วก็เราก็รู้ว่าเขาแสดงผิดนะเขาหลงนะถ้ามันไม่ได้เจตนาจะแย้งนะแต่มันไม่รู้มันไปนอะไรมันจะขัดไปเรื่อยเปลื่ย กติเล็งของเราพันดานของเราเนี่ยจะต้องจะยาไปาเฉยๆเนียพยายามใหเวลาฟังขอฟังอย่างเดียวไม่อไปไม่ต้อพยายาคือทุกปก่อนก็เต้นแล้วแต่แต่ก่อนมีแย้มมันแย้มออกมาข้างนอกเลยมันแบบขอพูดอะไรผิดนี้เราก็แย้งแย้งตลอดเลยหลังพอควบคุมได้มันก็ยังแย้งอยู่ในใจนะอยู่ข้างใน ถึงได้จำให้ออกมาก็ยังแย่งอยู่ในใจแตถ้ามันแยางมันต้องแยางแบบนี้เห็นมีผลมันจะได้สรุปมีข้อสรุปได้ถ้ายั่งแบบที่จริงมันก็แบบว่าเอาแพ้เอาชนะกันก็เลยไม่รู้ใครถูกใครผิดกัน <c oughs> พราะ ว, าวิชาความรู้ทางเรื่อกบางทีมันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงมันอยู่เขาเรียกว่ายังเป็น <c oughs> ไพโพ้อสิสอยเป็นซีรีส์มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ไม่เหมือนวิชาทางธรรมนี่ได้รับการพิสูจน์อย่าง จากพระพุทเจ้าแล้วไม่ต้องแย้งทำหน้ของพระเจ้าไม่มีสิทธิจะแยง้งมีสิทธิที่จะรับลูกเดียวนั่นแหลแต่ความรู้ทางโลกนี้มันยังเข้มมันได้คาร า, น, น, น, คานี้ว่าเป็นอย่างนี้อีกสิ่อีกสิบปีแน่นอนมีคนมามีทฤษฎีใหม่ในสมัยก่อนเพราะว่าโลกนี้มันแบนก็มีคนมาย้งทฤษฎีนี้นะแต่เนี่ยมันไม่ด้แบนมันกลมอีกช่วงหนึ่งก็บอกว่าโลกนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกอย่างหมุนรอบโลก เขาก็มาแย้งว่ามันไม่ใช่เนี่ยความรูทางโลกมันเป็นอย่างเนี้ยยังอย่าไปอย่าไปยึดติดกับมันมากเกิรไปเมื่อเราเชื่ออย่างนี้ก็เชื่อไปก่อนก็ได้คนอื่นเขาไม่เชื่อเราก็อย่าไปโมโหเขาเขาไม่เชื่อตามมาก็ช่างเขาเขาจะให้เราไปเชื่อตามเขาเราไม่เชื่อตามเขาก็ก็ได้แต่จะถูกจะผิดนี้ก็ ต้องรอเวลาปเป็นเคื่องี่สูดน์แ<ฮ>ทุกวันนี้ก็เถียงกันเอนี่ยทฤษฎีอะไรอะไรจะติดผอเพียงแบบทฤษฎีทฤษฎีแบบใช้มันทิ่หายวายวอดมันก็ <laughs> อันนั้นจะดีกว่กันก็ <laughs> <c oughs> ยังไม่มีเวลาี่สูจ <c oughs> น์พวกในวัาต้องใช้ใช้เท่าไหร่มันจะได้ขบิสออกมากันจะได้มีงานทํา ยิ่งใช่ก็หนีไอ้ครัวบอกยิ่งใช้มันก็ยิ่งยิ่งยิ่งผิวยิ่งตรงยิ่งอยากใช่อยากมันก็ยิ่งไปทําลายทําลายไอ้พวกทรัพยากรต่างๆให้หมดไปหมดไปต่อไปยิ่งจะลำบากเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่กับธรรมชาติเราใช้ใบตองแล้วไม่มีถุงพลาสติกเราไม่มีปัญหาเหมือนเราทุกวันนี้เหมือนกันเราใช้เชื่อกล้วย ขวดที่เราใช้แนละ้วเราก็เอามาใช้ใหม่เอามนันจุดน้ำปลาเอามาใส่นะ้ำทุกวันนี้เรากินทิ้งทิ้งว้างเนี่ยขวดทัชสติก น, น, นี่ยราคาแพนกาว่นาน้ำที่เรากิน <c oughs> แต่เวลาเรากินเสร็จแล้วไปขายนี่มันขายได้แค่สิบตะงเท่านั้แต่เวลาไปจ้างเขาผลิตเพิมมาใส่น้ำมั น, นมันดีกี่ร้อยเท่าของราคาเนี่ยเ้ายังธุรกิจแบบแบบใท้มีการใช้ใจ่าย มาบริโภคนิยมมันต้องทำมานิยมก็คือเนี่ยนักน้อยสันโดษเท่าที่จำเป็นพวกเราเนี่ยความเจริญของเราไปเรา่ยห้าสิบปีนี้เราทำลายทรัพยากร ม, มากกว่าคนที่ในอดีตเขาอยู่กันมาเป็นพันพันปีในทุกวันนี้เริ่มมิต ก, กันแล้วว่าโลกเราจะ จะจะรับชีวิตของมนุษย์ต่อไปได้แ้ากี่ปีเพราะว่าโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเรผลกระทบกีดการมาสลับน้ำทะเลจะสูงขึ้นอากาศเปลี่ยนไปบางแห่งก็จะแรงจนแบบว่าหาปูกอาหารไม่ได้บางแห่งก็ง น, กงงน้ำท่วม ต่อไปการการผลิตอาหารให้กับคนก็จะน้อยลงมนุษย์ก็ต้องแข่งแย่งฆ่ากันทำสงครามกันแย่งทรัพยากรกันแล้วยังใช้มากขึ้นไปใหญ่เทนั้นมันก็ยิ่งต้อ ง, แ ย, งแย่งกันมากขึ้นไปแล้วเนื่กว่าจะฆ่ากันตายหรือไม่กี่ยคนแนละ้วนั้นมันจะนั่นก็เนี้ยพระพุทธเจ้าก็ทรงทำมาว่ามนุษย์จะต้องเข้าสู่ยุยุคนั้นจะ ต, ต้องฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาคนที่มีศีลมีธรรมก็ต้องหนี ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่กับธรรมชาติให้คนที่เขาอยู่กับเออบริโภงนิย ม, มให้เขาฆ่ากันให้ตายกันไปหมดเมื่อหมดแล้วคนที่อยู่ในป่านนีนเขาก็จะได้ออกมาสร้างสังคมใหม่มาใช้ทฤษฎีธรรมานิยมเศรษฐกิจพอเี <c oughs> แต่ของนี้มันสอนไม่ได้นะเพราะกิเลสมันมันยำนาบมาก คนทุกคนนี่อยากจะมีมากเป็นทนั้นมักมากเท่านั้นโลกมากเท่านั้นเนี่ยมีผู้นำประเทศของเรามีกคนที่บอกว่าเศ ร, รษฐกิจพร้อมเป็นดูิน่ีจริงจังเลยจะใครคนมาก็จะพูดถึงเรื่องอัตราเติบโตทางเศ ร, รษฐกิจเนทะ่านเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเดียว <laughs> ไม่ได้พูดเรื่องนี้เรื่องเดียว ยังข้อสรุปก็คือใครเขยังไงก็เรื่อง ข, <l acht> ข, ของเขาเราภาวนาพระพุทธเจ้าของเราก็รับพอใจเราอยู่ได้เราอยู่ได้อยู่แบบน้อยน้อยันดอยู่แบบพระเนี่ยกินข้าวนมื้อบ้านก็ฟังอยู่หนังคาหลบแดดหลบผนได้อย่างนี้นก็อยู่ได้แะถ <l acht> ้ารับรองเราจะไม่ทุกข์เราจะมีเงินใหนือใ เราใช้ไม่มากเนี่ยมันก็เหลือใช้ที่มันไม่พอใช้ก็มันใช้มากกว่าหามาได้ถ้าใช้น้อยกว่าหามาได้มันก็มีเหลืออย่ก็เหมือนกับทางงบประมาณเนี่ยรายจ่ายรายนับใช่ไหมจะทําสมดุลก็ได้จะทําเกินดุลก็ได้จะทําขาดดุลก็ได้แต่ส่วนให ญ, ญ่ชอบเกินดุลที่นู้นเ <c oughs> พราะตัดไม่ได้ลดไม่ได้ตัดเงินเดือนไม่ได้ตัดรายจาย่ายเงจ่ายไม่ได้ แต่หารายได้ไม่หาราได้ไพอมนุษย์สร้างปัญหาให้กับตัวเองทั้งนั้นเนี่ยเพราะความโลภมากนี่หน้าจะจจกพวกผู้นำประเทศนี้เข้าวัดถือศีลแปดจังใครมาแต่นักธุรกิจต้องถือศีลแปดต้องอยู่ตาวัติต้องอยู่ออยเข้าวัดรับลองได้เดี๋ยวประเทศ ก, ก็จะดี ี่ธีการจะหนาง่ายนิเดียวจะทำยาทางใครมีท้าทายอีก้าถวายของก่อนนไปช่วย เขกมีปัญหาะท่านจากจร์ค่ะเขาบอกว่าไปไม่ได้ถือสิงแปดเลยแต่ไปพุทธคยาและไปีิทานบนใบโพเขียนไว้ว่าขอได้เป็นรองนายยกว่าทำไมได้เสรขอวนันี้ขอไม่ขอถ้ามันจะได้มันก็ได้เราไม่ไดีที่ขอแล้วไม่ขอ เรื่องการขอได้เนี่ก็ขอกันทุกคนเลยในนี้ขอกันทุกคนเลยเห็นไหมถ้าจะได้อะไรก็ขอได้กันหมดมันก็สบายมันไม่จะเป็นอย่างนั้นหรอกมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลแต่ปรดีมันเป็นเป็นความบังเอิญขอแล้วมันมันมีเหตุที่ทําให้มันได้มันก็ได้ไม่ขอก็ได้ถ้ามันมีเหตุที่จะทําให้มันได้มันก็ได้ มันไม่ได้อยู่ที่การขอขอได้ก็ดีนม้แต่แด้แจะขอสิ่งที่ถูกที่ควรขอให้ดวงตาเห็นทำรมาไม่ทำก็ไม่ได้อะไรอ <c oughs> นีพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องอดอาหารสี่เก้าวันไม่ต้องออกจากวังไง น, นั่งขอนี่ไงวังขอให้แดนมารุ้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไห ม, <c oughs> มนั่งขอไม่ได้หรอกเพราะว่าเหตุผลไม่เข้าใจเลย มันต้องมีเหตุผลมันถึงจะตามนะแต่การขอนีไม่ได้เกิดเป็นเหตุอะไรทั้งสิ้นยังลมๆนั่งแดงขอให้มีความอุดพวยอุดการไม่ได้หรอกมันต้องอุดพวยอุดการไม่ได้ ขอแล้วก็ไม่คนขอไนอะีกขอได้วันนี้ก็บรรุได้แล้วนนกา น, นนี้ก็มีความออหมดตนหมนกันแล้วนี่ขอมาต้องนานมันก็ยังหออทนขอไม่ได้หรอกข อ, ขอได้พวกเราก็สบายกันไมหมดแล้วต้องตร้งการทําองต้ การกระทำเท่านั้น เ, นเรียวกว่ากรรมกรรมนีเน่เป็นตัวที่จะทำให้สิ่ง ต, ต่างๆคือผลปรากฏขึ้นแต่การทำความดีมันก็ต้องอาศัยฐานติอาศัยความความภาคเพียรเพราะโดยธรรมชาติใจของเรามไม่ชอบทำความดีกันมันถึงทำความดียากทำความชั่วง่า เพราะในใจเรามันมีกระแสที่จะดึงให้เราไปทําความช่วย อ, อยู่แล้วการทาความช่วยมันเป็นเหมือนกับไหว้ตามน้ำํำไหว้ตามน้ําส่วนการทําความดีเหมือนกับไหว้โวนน้ํท่านอยากจะมันยากมันง่ายกว่ากันนะการไ ห, ไหว้โถนน้ํามันก็ต้องยากกว่าสองเท่าก็ต้องมีความอดทนมากกว่าการไหว้ตามน้ําไม่ต้องมีความอดทนเลยไม่ต้องไหว้เลย เป็นแต่ทำให้ตัวมันลอยใช่ไหมมันก็มันก็กระแสงานก็ผ่าไปเนี่ยใจของเรามีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยกระแสของเรามันทวนมันทวนกระแสของของพระนิพพานของของสวรรค์มันจป็นญาติกันครูบาอาจารย์ท่านในหลวต้องทวนกระแสเราต้องทวนเราต้องไหว้ทวนกระแสว่า้ทวนกระแสก็อย่างวันนี้มามาที่เนี่ยไหว้ทวนกระแส ถาวายตางกระแสก็ไนู่นคุณนิงนั่นหดีเวลาจะทำอะไรต่างพนี่มันง่ายเน ไม่ต้องให้คนชวนนี่ไม่ดีไปชวนต้ให้มากกว่าในเวลามามาวัดมามาหาธรรมะต้องให้คนชวนชวนต้อง ช, ชวนอยู่บ่อยๆเพราะที่ต้องลากมาถึงจะมาได้ <c oughs> นี่การมีจารยานุศ่ก็ดีตรงเนี้นนยบางทีเราไหว้ไปเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยเพื่อนที่ดีพยายามชุดล่ากออกมาให้ลนะ่าเนี่ยจัดจัดวันมากันเนี่ย ถ้ามันมีคนที่กระจัดมันก็ไม่มีใครที่จะคิดมากันนีเกาะคุมต <900 pagar> okay. uh ิดกันไว้ถ้าเรายังไม่มีเครื่องคือถ้าเรายังเป็นเรือพ่วงอยู่ยังไม่ได้เป็นเรือเครื่องต้องต้องคอยติดเรือเรือที่มีเครื่องก็จะได้่แล้ว ถ้าเรามีเรือเครื่องแล้วต่อไปนั้นไม่ต้องถ้าเรามีเครื่องติดอยู่เดียวแล้วเราไม่หลอกใครแล้วเราจะไปของเราเพราะในว่าดังเราจะแยกองค์ไปของเราเองได้นะไม่ต้องอาศัยคนอื่นรู้ทางแล้วมีขันติมีวิริยะมีฉันทะวิริ ย, สสยนะสติปัญญาเนี่ยนั่คือเครื่อง <laughs> เครื่องที่จะผลักจิตใจให้ไปทางมรรคผลนิพพานก็คือ สัญธวิริยะศิตษาทิ่บางสาถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วสบายยินงแต่ว่าจะถึงเมื่อไหร่นั้งนี้จะช้าหรือเจริวจะลงไปแน่ๆถึงแน่ๆถ้าขยันมากถ้าแรงมากก็เจ็ดวันถ้าแรงน้อยเหมือนก็เจ็ดปีแต่ถึงแน่ๆถ้ามีสัญญาณถ้ามีเครื่องแล้วถ้ามี แต่ถ้าไม่มเครื่องนี้ก็มันก็ต้องรอให้เข้ามาถุดแต่เขาก็ฉุดไม่ไว้เพราะมันมันมันยากก็ฉุดได้เพียงแต่พอให้มันวิ่งได้เช่ไหมพอพอหยุดฉุดมันก็มันก็ไหลไปได้หน่อยถ้าเดียวมันก็หยุดพอแต่แสนานมัมันไหลแรงกว่าฉะนนก็เงินกอนก็อาศัยคนอื่นเชื่อยลากออกไปแต่อยาคิดว่าเขาจะลากออกไปได้เสมอ เขาเป็นแต่ร่างเพื่อให้เราได้ <c oughs> มีกําลังที่จะไปของเราเองเช่นมาฟังเทศํางธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับการมามาติดเครื่องเอาเรืเข้าอู่ไปซื้อเครื่องมามาติดเสียเสซื้อน้ำมันมาแล้วก็ติดเครื่องแล้วก็จะได้ไปได้ฟังเทศทางธรรมล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติอันนี้ที่สนอนว่า การรู้จักประมาณในอาหารอย่าให้มันเป็นคำพูดที่ว่างๆเข้าหูซ้ายออกหูวขวาขอให้นำมาปปฏิบัติตา MC, ตาตาการจำรวยอินทรียตาหินเทวดอินทรีการเจ็ดห้าทวานเพื่อเหลืองทวานเดียวมีสติดูอยู่ที่ใจอย่างเดียวทำแล้วมันก็จะมันก็จะได้ผลอย่างาเดียว ถ้าไม่ทํามันก็กลับมาคำนัางก็เหมือนเดิทําแทนเันไม่ได้ทำไปแล้วมันก็ง่ายเ อ, อย่าให้ควารู้สึกว่ามันยากนิดหนึน่งเป็นอุปสรรคเดี๋ยวเราคิดว่ามันงาน่ายพระพุทธเจ้าทําได้เราก็ทําได้ครูบาอาจารย์ท่านทําได้เราก็ทําได้เพราะก่อนที่ท่านเป็นพระพุทธเจา้าก่อนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเหมือนเรา ทานก็มีอุปสรรคแบบเดียวกันกับเราอยู่ความรู้สึกยากเหมือนกันทุกคนแต่ไม่ให้ความรู้สึกนั้นมาเป็อุปสรรคกาหนดกฎเกณน์ไว้เลยจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องรับประทานอาหารมาละกี่มื้อกี่ครั้งก็นั่นเป็นกดเป็นเกณฑ์ไปทําไปจะต้องนั่งภาวนาเวลาไหน จะเดินจงกลมเวลาไหนมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องกําหนดและทำเลยอย่าไปปล่อยให้มันรอยมาเอร์เราว่าเมันไม่มาหรอกเราต้องกําหนดมันมันถึงมาสำหรับวันนี้ทุกเช้าอย่างนี้จะต้องนั่งสมาธิก่อนนอนวัาานร้ายจะนั่งสมาธิเจริญปัญญาก่อนนอนตื่นนอนก็ให้ทาเช่นเดียวกันอย่างต่ง วันหยุดวันว่างก็งไม่ไปเที่ยวไหนก็ไม่จดเป็นกงไม่ออกไปข้างนอกอยู่บ้านเดินเป็นกงนั่งสมาธิทางเทศทางธรรมไปทั้งวันตลอดกันไปมันต้องมันต้องมันต้องมีมีมตารางกำ <c oughs> หนดการใช่ไหมเพราเวลาจัดงานจัดการเขามีเวลา เวลานี้ประธานจุดเทียงนี่ไม่มีอะไรเลยเนีหยู่ว่าทำมีตลาด่รงบสี่สี่เป็นแค่มาเดินจังมงนัาสมาธิเวลานั้นออกไปบินตบาดหรือถ้าเป็นธนวาจ็ทำธุรกิจ การุระส่วนตัวท่านเปรียกับข้าวกับปลาหะถวายพระมันมีมันมีตารางมันมีกาหนดการนในการเราอยู่วัดมันก็ได้ประโยชน์แต่พออยู่บ้านก็ไม่มีเลย <c oughs> มีก็เป็นเรื่องอื่นไปเลยเวลานี้เปิดดูเรื่องนั้น <c oughs> <c oughs> นีวของเราก็มีอยู่แค่เนี้ยทางที่พระเจา้าตรัสว่าให้ให้ตั้งอยู่ในความเม่มตตาด้วยการทํากิจส่วนตนและส่วนท่านให้ถึงพร้อมหลังขานอนิจจาวัฏสังขา้าวลาหลังขานเดินถึงที่ไม่เที่ยงตรงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้เถ็นพร้อมด้วยความไม่มตตานนี่เป็นพระปฏิบัติมาอกว่าทำ คำพูดคำสิพาพวกเราต้องหนักแน่น เ, เอาไปคิดแล้วก็ไปทำนั่นไม่เกิดประโยชน์ะไรสมจะเช้าจะพูดด้วยความ จ, จิ่ใจเราก็ต้องพยายามทำตารให้ได้ <c oughs> พร อ, อย่าง <c oughs> ในที่เจ้าบอกว่าอย่าเป็นอย่าประมาทนี่ความเสี่ยงเพราะเนี่ยความตายความเจ็บไข้ได้ตัวนั้นก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเราปฏิบัติได้เราเก็บคิดแล้วปัญหาของความเจ็บไข้ได้ตัวนั้นเขาไม่ดูยังก็เป็นแต่เรารู้ไปตามความเสี่ยงของของร่างกายร่างกายเจ็บก็เจ็บตายร่างก า, างยจะตายก็าตายไป ท่านสองของการอยู่ครูบาอาจารย์ก็เลยท่านสอนให้เราอยู่ติดดึงให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้กว่าถือจั่งลาล้างกระถมล้างห้องช่วงเห็นน้ำทำให้ได้ทุกอย่างทำกว่าทำไม่ตัดเอง ชักัย้อมกิวอันเองตัดเย็บเองทำตบทำอะไรเองทุกอย่างรอให้ทำเองไม่ไปช่วผู้อื่นพอมันทำได้แล้วมันก็เป็นวิชาขึ้นมาทาได้ไม่เคยคิดหนักเพิ่มลูกศิษใครก็ไม่ไีไ่ทำได้เราเราก็ทำของเราได้แต่เขาทำมันก็เป็นบุญของเขาแล้วก็คิดแค่นั้นเอง ก็จะเนยจัได้แต่ไม่ได้ยึดมานานแล้วา <c oughs> ยใครตัดยึกี่วันษาสติได้วงกี่วอนขาดติ <c oughs> แต่ทำถลมทาเชิงบัตไม่เป็นเพราะนั้นเขาต้องหลา <c oughs> บาอยหลาไม่ไถ่แล้วก็พอดีรำแว่าไม่ใช่เป็นเรื่องชาวนาสาวางที่รักการ เราให้ทำาวกเยอะของเรานี่จากน้นต่างๆเรามีเก่งแต่ทางด้านเขียนหนังสือพอจะอะไรทําไว้พวกนี้มันมันเหลาเงียบมันก็ไม่ได้เรื่องไหนก็ทำไม้จิ้มฟันเนี่ยธมาก็ทําไม่เก่งไม่ได้ทําตอนนั้นก็อ้างว่าจะพอนาูุเดียวโดยปกติมันทํางียบก่อนจะเข้าพรรษาพระเนี่ยจะต้องทำไไม้จิ้มฟันไม้ไม้ชำระสารเพื่อถวายครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่ง เราเจ็บใบช้ของตัวเองตรงนี้แต่น้องก็อาศัยกางที่พันสมัยใหม่ก็ไม่ <c oughs> <c oughs> แมโน่จะต้องไปทำมันทำไม่แล้วที่ถวายกูบาจายว่ามือ น, นกับพระยี่สิบรูปถวายท่านก็ใช้เราก็เลยไม่มีความกระเจิดไ้อนที่ที่จะไปทำมันเราก็เลยเอาเวลานี้ไปนั่งสมาธิงานโยมแทง ท่านอาจารย์พาที่ปรวายไม้จิ้ววมข่นี่ท่านดูไหมครับว่าอันนี้ทาเรียบร้อยไม่เรียบร้อยดูเขาแข่งกันจะตายเรือไม่ต่างกันนะปร<ฮ>ะชันจำนนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เาะท่านก็ไม่เห็นนะเพราะวใหญ่เขาก็ทาอย่างเรียบร้อยแล้วใส่กองทีเนี้ยมันทําเรียบร้อยนะครับ แล้วมันถวายรวมกันเน่ยไม่ได้เป็นถวายสร้างไว้ในทานนี่แหละแต่เงินนั้นก็ลมถวายให้ ท, า ท, า ท, า ท, ท่ า, า, านแค่รับได้ผมเคยทําำอันเท้งวันทําได้อันเดียวะวันหนึ่งวันทําได้อันเดียวเราไม่เรียบร้อยด้วย <c oughs> แต่มันก็เป็นอุบายเนี่ยมันเป็นเหมือนการฝึก ส, สมาธิทำสมาธิไในตัวทาทำไปได้มีพฤติแล้วยิง่งทำมีความ พ, าพิตีพิธานมันก็ทําให้เร า, าใช้ปัญญาไปได้ไปด้ อุบายของคุบาจางเพือสอนคนที่ไม่รู้เรื่องสติษษษไม่รู้เรื่องปัญญาให้เขาทำพวกของอย่างนี้เป็นเป็นบ้างให้มีความ <c oughs> ท่านเวลาให้ปลูกให้สร้างให้ทํางานท่านไม่ต้องการความถึงหรือไงแต่ท่านต้องการความอะไรอย่างนี้นจะต้องเป๊ะเป๊ะไมเมื่ออะไรเข้ากันนี้ต้องดูแล้วมัน <c oughs> ไม่ได้ขาดคือมันก็ได้รับความพิถีพิถัน รอบครอบต่ไม่ต้องสวยงามทำเงินก็ทําด้วยความบันจงไม่ทำหลอกหลักแต่ว่าทำตีโป้งๆไม้จะเข้ากันได้ไม่ได้ยังไงมันคือเขาก็มองออกตอนนี้ <c oughs> แต่ไม่ได้ให้รู้หลาให้ตุธาสงธาสีหรือให้มันสวยทางด้านทางสายตาให้สวยทางด้านธรรมยา ให้ใช้สติให้ใช้ความรอบข้อความพิถีพิถันอันนี้มันจะเป็นการเป็นเครื่องมือที่จะไปใช้ในการปฏิบัติธรรมต่อไปได้ก็ให้มีทั้งติทนทําไปแต่ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงเท่าไหร่ใช้ใช้ดีนใช้ไม้ใช้ของธรรมดาเนี่ยไม่มีเครื่องกบไฟฟ้าไม่มีของใช้แบบเครื่องทุ่นแร คือให้อยู่กับธรรมชาติเลยให้อยับห <c oughs> าหาใช้ของที่มีอยู่ในธรรมชาติไม้กวาดก็ไปเอากิ่งไี่ธรรมะทำเป็นไม้กวาด <c oughs> สีย้อมก็เอาสีที่ <c oughs> ส ก, กัดจากแผ่นขนุนต้มหนแล้วก็ผสมกับหินแดงมาหลบนหินแดัในน้ำ พอมันผสมหันมันจะออกสีส้มๆ้ม่ลยเะไม่ไม่ใส่ส้มนะถ <c oughs> ้าสีแบบสีสีใค่ค้าสีสีไม่เท่าสีเรียกว่าสีอะไรมันจะออกเหลือง ป, ล ป, ลปลนเปนแดงน่อแต่ไหนนี้ก็เอาสามีสีผมงเคาผสมเข้าไนด้วยหน่อยทำให้มันดูเข้มขึ้นนันอ แล้นถ้าจะให้มันอาศัยแต่สีเก๋แตงกระ น, นุ่นนี่มันต้องสักโอ้ต้องต้งตงเที่ยวกันอย่างกระทั่งม่นน้ำาม้เนี่อาจะต้องให้เหลือแค่ขันสองขัง น, นี้เพื่อจะได้เพื่อจะได้ไอสีเของมันออกมาก็เลนไม่ไมีเวลาและพระเยอะก็ เ, เลยอาศัยเขามีสีสํางนลือกเป็นกระปองมาเอามาผสมแต่ได้ขาวว่าสมัยหลวงปู่ม่านี่ท่านจะเที่ยว เที่ยวแกนกับหนุนนี่จาเป็นเหมือนกับเป็นย่างเป็นเป็นเปเป็นวันน่ะเป็นเหมือนกับคะกูทุเรียนยงเนี้ยอย่างันันเป็นก้อนเล้ยแล้วท่านเอาติดย่างไปเวลาท่านไปอยู่ในป่าเวลาถึงเวลาเดินทนสีวันท่านก็ต้งน้ำแล้วก็อานี่ลลายเาไว้เพราะภ้าพวกนี้มันต้องสร้างคําล้อนถ้าท่านเอาเย็นแล้สีมันสีมันจะหลุดแล้วก็้ามันจะเป็นสีมันจะด่างเพราะมันต้องสร้างคํารอน แล้วก็เอาเอาเอาไอา้อากนนารเนอใส่เข้าไปบางทีอาก็จะมีถิ่นแดงติดไปด้วยก่อนถินี้เอามาผนวกประกอบไปดท่านพยายามใช้ของสมัชชของที่หาได้เองไม่ต้องอาศัยญายติโยมไะซื้อมาให้ผ้าก็สมัยก่อนก็หาเศษผาตามตามที่สะพิงไว้ตามตามปาก้ า, า, าตามกองขยาะ แยกผสมน้อยแล้วก็เอามาเย็บมามาต่อกันจึงเป็นผืนย่างมันจรงมันจึงเป็นมันจึงเป็นผ้าที่ไม่ใช่เป็นผ้าผืนมันเป็นผ้าผ้าสะผ้าปะต่อนี่พอต่อมาเจริญคนศรัทามากในศาสนาเห็นท้านใส่ผ้าศรัทธาผ้าปะผ้าอะไรก็ซื้อผ้าอย่างดีมาให้ซื้อผ้าทั้งพับ เพราะอารมณ์กระถางรูปเจ้าจะทำไงกับผ้อย่างนี้พระเจ้าบอกว่าสับมันเป็นชิ้นๆแล้วก็มาต่อใหม่ให้เหมือนกับคันนาลูกคันนาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นพระท่าดีย้าเปอยู่ในปากเนี่ยเวลาแขวนท้าไว้แล้วเกิดเป็นฐานพฤกิฐานพฤติะอย่างอื่นเดี๋ยวมีโจมมีขโมยมาขโมยทาแต่งไม่มีพระพระัไม่ แต่้าเปนผ้ า, า, าถ้าหมเปาเป็นเนเศษผ้ามาตัดมาเย็บมาต่อไม่มีใครอยกษันแน่จนอยก่อนมันหายากผเพราะไม่มีโรงงานอผ้าไม่มีโรงงานผลิตคนทด้วยมือเอนี่ย <Yeah. S 1> ถ้านสีกันขนุน ม, มันสามารถซักที่ใครที่เหนืออะไรได้กับที่เราใช้อยู่ได้เพิ่ ก็ความจรงน้ำร้อนอยู่แล้วมันก็ช่ว ย, วยน้ำรช่น้ร้อนไอ้สีกนนาระนู้นี้มันอาจจะช่วยหับกลิ่นช่วยมันมีกลิ่นไม้อยู่ในกระทะเสมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นของไม้แกงกระนูก วันนี้ก็คุยติดน่อยบ้างคุยแต่แข่งๆมาก็เลยเอาเอาเงินมาน้อยมาเล่าให้ฟังที่วัดตาม้านจากเวลาทำติดท่านจะให้ทำพร้อมกันหรือเวลาทำจิดไม่ให้ต่างคนต่างทำ เช่นันนจะซักผ้าจะให้กำหนดวันขึ้นมาวันนี้ซักผ้านะซักกำหลดทางวัดเลยตอนต้นจะตรงน้ำให้เดือดแล้วก็เอาผ้าของครูบาอาจารย์ผ้าเทวาลิะมาซักก่อนซักองท่าเสร็จแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วทนี้ก็เอาดกันตัวทตัวหนึงของทอหนต้องต้องต้องต้ทท่านเจกัญญาณ่งเองลรงที่ลองทันนงรอนะ ใช้ฟืนใช้อะไรต้งสมัยก่อนก็ต้องพอฟืนหมดก็ต้องไปหาฟืนกันคือฟืนในป่ากันบาง ก, ก็ให้ลูกปิดตัดตัดไม้ถ้าถ้าไม้ยังเป็นอยู่ก็ให้ลูกปิดตัดพอมันร่มลง ม, มาแล้วพระก็ช่อยกันตัดได้หรือก็อาจจะตัดไม้ที่มันตายแล้ว แล้วก็พอไม้กว่ากิ่งไผเที่จะมาใช้ทำาถึงไม้กวาดก็ต้องมีวันทำท า, ทาเก็บไปตัดกิ่งไผ่มาทันปัดเจแล้กก็มามัดนั้นมาผูกมัเส็ไว้ทาเตรียมไว้ทีเดียวพอเวลาจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเอาไปมัด ก, ก็ตัาเสร็จหยิบไปมัด ก, กัจกนจั่พ่พระวินันยกำหนดอย่งใช่ไหมค้ว่าามารตักกิ่งไม้ได้เฉพาะกิ่งไม้ที่ตายแล้วเท่านั้น <c oughs> ของตายทำระยะคือกระ้าของเขียวไม่ได้ห้ามเขียวไม่ได้ ไร้ผลต้นไม้ก่อนคนก็เชื่อว่ายังมีชีวิตเป็นของมีชีวิตพ้าไปไปตัดไม้ก็เหมือนเราไปฆ่าสิ่งที่มีชีวิตไปทําปาณาติบาตแต่พระเจ้ารู้ว่ามันไม่มีมันไม่มีจิตมันก็เป็นเพียงต้นไม้มันไม่มีความรู้สึกไม่คิดไม่มีันไม่มีตัวรู้อยู่การตัดต้นไม้นี่มันไม้มันไม่รู้เรื่องมันไม่เจ็บมันไม่ปวดมันไม่รู้อะไรทั้งสึ่ง เหมือนกับแก้วนี้เหมือนกับเท้าเนี้ยเราไปทุบมันอยังไงมันก็ไม่ม่ได้ทุบแตกบรรยากาศเนี้ยเนื่องจากว่ามันยังมีการตอบนี่ยมันมีการเจริญได้อยู่อย่างเนี้ยต้ถึงแม้เนี้ยมันจะจะตัดมันล้ำเราปีดนในน้ำมันก็ยังยังดูดซึมน้ําขึ้นไปยังยังมีชีวิตต่อไปได้พระเจ้าก็เลยให้ ให้อุบายว่าเวลาจะทำอะไรก็ให้ลูกศิษยออกอุบายให้ลูกศิษสั่งเขาไม่ได้แต่ต้องบอกว่าพูดเป็นในเชิงว่าเออเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะทำอย่างไรว่ารี้เขาก็รู้ในเวลาที่เอาของที่ของเขียวที่มันยังยังเกิดได้เช่นพวกผักบุ้งผักชีมันมีรากหรือว่าพวกพริกอะไที่มันมีมนเมล็ด พวกนี้เนี่ถือว่ามลเมล็ด้ยังมีชีวิตอยู่มลเมล็ดนี้มันยังสามารถที่จะเมินพระอกได้ดังนั้นก็ต้อง <c oughs> ให้ญาติโยมทากัปปิยะคือทําให้สมควรแก่การบริโภคของพระพระจะถามว่ากัปปิยกะกี่อยถามว่าได้ทํากัปปิยะหรือยังได้ทําให้สมควรแก่การบริโภคอย่างโยมก็จะจับปัก บ, บุ่งเรื่องอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งเป็นตัวอย่าง แต่ให้มันติดอยู่กับผักอื่นๆไม่ให้มันอนอกมาเป็นเอกเทศ<ม>แล้วก็หักมันให้ขาดแล้วก็วัคปียะพันเตอได้ทําเรียบร้อยแล้วแต่ทํทางนี้ทางทางทางภาคกลางเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ <c oughs> เขาก็รู้เขาถูกสอนแล้วว่าเวลาผลายผลไม้ของพระต้องอะไรต้องปอกต้องอะไร แต่เขาไม่รู้ว่าสาเหตุที่ต่อนี่พ่ออะไรก็คิดว่าพระที่เปลี่ยนต่อแต่ความจริงต้องการให้ทํากับปียะคือให้ทําลายให้เอาไม่ดออกไปให้หมดก่อนแล้วข้ามก่อนนะง่ายง่ายให้โยมข้ามก่อนอาเมื่อตายแล้วพระก็กินมันก็ไม่บาปไม่รับผลออกมาอะไรที่ต้องทํากับดีของที่มันยังไม่ตายเธพิ่งเกิดที่มันมีเม็นเช่นซังโมอย่งี้ส้มอย่างนี้ มั น, นมาได้ดีแต่ของอย่างที่มันมาแรกก่อนเช่นตงกวาวนี้ไม่ต้องเพราะมันไม่ขึ้นแต่ของที่มันมาแรกที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นได้ถ้ามันลงดินไปแล้วมันยังยัขึ้นไดน้เราก็ต้องทํามันก่อนแต่เราไม่ต้องทําทุกทุกผลอย่าเช่นเอาพ่นต้องมาถาดหนึ่งแล้วก็ให้ทํารูกเดียวแต่ว่าให้รูกนั้นมันติดติดอยู่กับลูกอื่นด้วย เรื่องทีของหลายหลายถ่ายก็มันติดกันแล้วกาทำเป็นซีดีอะไรก็ได้เป็นพิธีได้คือในสมัยนี้ทําให้ทํานั้นก็ไม่มีสําคัญอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้มาตะกิดตะขงใจที่สมัยนี้ก่อนต้องทําเพราะว่าสมัยก่อนมันมีลัทธิหลายลัทธิแข่งขันกันเดี๋ยวลัทธิของเราถ้าไปทําอย่างนี้แล้วก็ทําบ้านเข้าเสื่อมศรัทธาเอาว่าข้าสป็นที่มีชีวิตนี เขาก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนาในเคยรักษาศรัทธาเข้าไว้กันเลยบอกว่ให้ทาอย่างนี้แ ต, แต่สมัยปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยสนใ จ, จเรื่องอนากันเท่าไรที่ทำก็เพื่อที่จะรักษาพระใหญ่นั่นเท่านั้นเองททั้งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งพระอนุญาติ้ ว, ว่าเนี่ยกดข้อบงังคับบางข้อถ้านันหมด มันหมดสมัยมันไม่มีความจํำเป็นที่จะต้งองรักษามันขยกลึกไดาแต่เนื่องจากพ้ามันไม่ได้ถามว่าข้อไหนบทไหนถ้ามันไม่รู้ว่าข้อไหนบทไหนหลวงพ่อพระสงฆ์พระราหันทาร500้อนยุทธทำสังฆามาท่านก็เลยตับอดบาปตับโทษพระอนวโมทนาเซอรไม่ถามจะได้ไม่ไม่มีปัญหาจะได้รู้ว่าท่านหมายถึงเอพระวินัยในไหนใ น, ในข้อไหน อะไรมีมติว่าเมื่อไม่รู้ว่าข้อไหนก็รักษาไม่ไให้หมดทุกข้อแต่ว่ายึดเจตก็เลยรักษากตลอาจนถึงทุกวันนี้มีแต่บางองค์บางท่านท่านจะเลิกของท่านโ ด, โ, ดโดยเองโดยโดยความสะดวกของท่านทานขาเรียกว่ า, า, าที่ทางสะดวกที่ไหนที่พระที่ทีเขาถือนง่นเขาก็อ้างว่าเป็นมาที่มันจําเป็นจะเดิทนทางไปไหนมาไหนต้องขึ้นขึ้นรถบงเอี๊ยดต้องเสียข้ารถหาลูิษย จิตกลางไนไม่ได้ก็ขอเอาเงินใส่ย่างไปนั่นละกันทีนี ต, ต่อมามันก็เลยค่อยๆเสื่อมไปตายเป็นเยอะนี่พัถ้าอยากจะซื้ออะไรก็มีงเงินมีเงี้ ย, ยสั่งซื้อได้เลยทิ่งีเรอยู่อเมริกาจะมาไปรี่มาพาขับรถเองได้ไป <c oughs> จับปัมปั๊บไปเติมน้ำมันก็ถึงตู้ขายเครื่องดื่ม อ, อะก็เอาเหรียญไปหยอน <c oughs> มีขนมมีอะไรนมเนยอยู่ในตู้ก็หยอดเยี้ยนพอเที่ยงในกายเขไม่แข็งพระของเขาขับรถได้พระแคทลีนพระโทเทสชงเขาขับรถได้มีมีเมียได้มีลูกได้เขาก็ไม่รู้ว่าพระของเรานี่ยมีไม่ได้ทำไม่ได้พระก็เลยว่าอไม่เขาเขาเขาไม่ถืแล้วก็ไม่ถือเมื่่พูดถึงเรื่องตัดต้นหมายเนี่ย ต้นไม้เป็นเป็นเนี่ยคนก็บอกว่ามีมีเทวดารักษาอยู่เป็นตันแร้วเทวดาไม่ไม่มีที่อยู่อะไรก็ <c oughs> อย่างนั้นก็ได้เข า, เาเ ว, ว่าเรียกว่าอะไรนี่ก็ได้ <c oughs> แล้ว เ, เ, เชื่อแล้วว่าต้นไม้เป็นที่ของลูกขดเลยก็ง่าย แ, แต่สมัยปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้ตรงทางแยกที่มาจากบัณนะา์นี่มันจะมีทางจากทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกมามารว ม, ม, ม, มกันแล้วตรง น, นั้นจะมีนต้น ต้น ย, ยางรือต้นลายใหญ่อยู่ตนนแล้วพอดูการนั้นก็จะูกบ้านก็จะปเป็นบ้านของลูกศิษย์งกรระั้น mm hmm. นเดยจะจัดทํามาตอนนั้นเนี่ยท่านก็ให้ทำพิธีขอขมาลาโทน mm hmm. เผื่อมม mm hmm. ไมรูกาเทวดาวรมีใครเขาอาศัยอยู mm hmm. ่จะได้ขอขมาลาโทษเขาะว่ม า, ามีการจำเป็นที่จะต้องลับมัย่งนัน ก็เคยได้ยินว่าเขาไม่ยอมลบมีเรื่องวีราวกันเหมือนกันก็เป็นไปได้แต่ท่านก็คงจะ<ม>ดูภายในแล้วท่านกคงจะเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไร<ม>ท่านก็เคยคงเคยเล่าให้ฟังว่าท่าอาจารย์ที่ท่านขึ้นมาบุกเบิกที่บนเขานี่คืนแรกที่ท่านขึ้นมาท่านอยู่องเดียท่านตับกดอยู่แล้วก็ท่านบอกอยู่ใกล้ๆตรงนี้ แล้วท่านบอว่าท่านภาวนาตอนคืนปรากฏมีชายล่างยักษ์ใหญ่ดำถึงไม้กระบองมาจะทํำท่าจะทําไหว้ท่าน <S <S ท่านเราพูดกับเขาดีๆว่าท่านไม่ได้มากรบบาบไหว้สายศพท่านมาขอที่ภาวนามาจะนั่ทําไม่ได้มาเบียดเบีย ง, ยงใครทั้งสิน้นขอให้ต่างฝ่ายต่งอยู่กันขอใส่ใช้สถานที่เพื่อบำเพ็ญเขาก็ไม่ได้ทําะไรท่าน แล้วคืนต่อมาเพ่อนก็นบอกว่าเขามาแล้วเขาก็เขาก็มาโง่ถึงนะนี่จะจริงไม่จริงเมื่อ น, นี้นะเป็นเ่องที่ได้ยินได้ได้ฝ่ายมาแต่เัามนอยู่นี่เราก็ไม่เคยมีใครมาเกือบจบอกมาไล่ <c oughs> แต่บางคนมาอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ไปก็เหมือนกัน ไมนะ่ต้องแบ่นะกล้าไปอยู่ที่ไหนก็ไปขอกํามาราทงเจ้าเจ้าที่เข้าไว้ก่อนไม่ต้องทำอะไรเท่าละลึกพยายาใจกันแ้วนี่แหลาเล่าตากต่พระสตว์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอให้อยู่กันด้วยความืนเริงเปเกียรตามมีเวร ม, มีกรรมกันไม่ได้มาเดียดเบียนกันไม่ได้มาขับไล่ใครศกใครกันนั้นมาเพื่อมาบาเพ็ญยึนยึนกุณธรรมทั้งนั้นเองที่มันกว้างใหญ่ไพศาลพอที่อยู่กันได้ ถ้าเขารู้เกี่ยวกับนาของเราอยงนี้เขาก็สบายใจมันก็เหมือนกับสุนัขเนีเราไปเดินไปที่บ้านที่อยู่สนะขมันไม่รู้จักเรามันก็ต้องหาเกาะแล้วมันไม่รู้ว่าเรามีเจิตนาอะไรแต่ถ้าเราแสดงความเมตตาท่านมีขนมมีอะไรยิ่งท่านมากินยัมันก็เหตุผลนไม่ว่าจะเป็นเป็นสุนัขหรือเป็นกายคิดมันก็เขาก็มีจิตใจเหมือนกันรักตัวครัวตาย หลวงที่หลวงทางเหมือนกั น, น, น, น, กนจะเชื่อไม่เชื่อการสืบแท้ใจนี่มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญแต่คนที่จะเริ่มาำมักจะข่ายแม่ตาเสนเอนนอยู่แล้วมันเป็นไม้ว่าจะบี๋ที่ไหนก็จะสัตย์เตสัตตาอเวลาหัวตุกอย่แล้วจก็ไม่พลิกจะเดียดเดินใครหรือไม่มีศีลมีทางหรื้ขนาด เห็นนะจะไม่ไปกล่าวคำขอคหมาลาโทษเป็นจิตแตลักษณะแต่พิริยาของเรามันก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้มาดูดเดินใครไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่เหมือนกับพวกที่เขาถือเปินเข้ามาล่าสัตป่าอะไรอย่างนี้มันเห็นชัดๆไงเหนตุการณ์เพราว่าพระที่สัดตามันจะมันจะรู้จักสีของพระเนี่ยถ้าเห็นสีนี้แล้วมันจะไม่ทำลาย มันมันไม่กลัวแต่ถ้าเป็นสีอื่นนี่มันมั น, มนมมแน่ๆนะมันอาจจะเป็นสัญชาติยามที่มันได้ถูกติดฝังมาฝัง ม, มาจนจนถ้าอะไรมาจากพ่อจับแม่จากปู่ย่าตายายถ่ายทอดกันมา อยู่ในตาใน้าใแสงในสบายสงบเยือกไม่มีเรื่องราวไม่มีปัญหาในตามีแต่เสียงลมพัดมีแต่เสียงนกร้องสวรรค์ทั้งเป็นอยู่ด้วย <c oughs> ไปอยู่ในรลกกัน <c oughs> <c oughs> แล้แหแาความร่มร้อนเห็นอะไรก็ร้อนไปหมดเข้าไปในเนื้ อหนกิริยาการของคนนี่เห็นไม่ดูไม่ได้แล้วมีแต่กิเลสนะแข่งแย่งกันดีใจไม่มีไม่มีไม่ไ ม, ม, มีความเมตตาต่อกันรถจะแย่งกันแย่งกันจอดรถแย่งกันออกไปเขียวไปแดงแยังกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอาได้เหงื่อกระจาย <c oughs> <c oughs> พขอยู่เงียสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ของเขาได้งกเขาก็อยู่ขอเขาิจบทุกแกาเขาอยู่ของเขาเขอกกระจาเขาก็อยู่ของเขาต่างๆกันอยู่กันไม่้เรื่อกันใชครับานเมอเวลาเราไปเห็นคนตายหหือเห็นจับตายการขนนี่เราเหไม่ได้ไมเขาไ็ได้ไม่ได้เขาไปไหนเราไม่ การดูการในการแผนเมตานี้ยเป็นการเป็นการทําเพื่อเรามากกว่าเพื่อมให้เรามีจิตใจอาฆ า, าตเกยบบ่าโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่คนเขาทาให้เราปวดตอนนั้นนะต้องรีดแผ่คนตายเวลาเขาเรื่อยๆต้องแผ่ตอนที่ตอนต้นก็ฝึกแผ่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องยังไม่มีความปวด พรแต่เราไม่เฝึกพอถึงเวลาปวดมันจะแผนไม่ออกแต่ถ้าเราฝึกไว้ก่อนพอถึงเวลาปวดเราก็รีบแผเลยเร mm. าไา่ไปโกยเขาแลต้องให้อุทัยเขาโกยน้ายหน่อ <c oughs> มาเสียหายเราชุบเราร้อนถ้าเราให้ไฟเข้าแล้วเราเย็นมาสบายความกวดจะไปท mm. ี่ว่าสิ่งที่ก็ตามเมื่อเรากวดนั้นก็เป็นการใช้หนี้ใช้เงินใช้ความใจก็ร้อนกัน อย่าไปสร้างเวรกรรมอันใหม่เพื่อนะด้วยการใต่อต่อว่ากันไปเพราะบอกแล้วใหทุบทำลายกันทุบทำลายกันเงิน็นการสร้างเวรไม่มีที่สิ้นสุดเหมืนที่พระพุทเจ้ากระดาเขาจะมาทำลายท่านาท่านก็แผ่เมตตาเช่ส่งช้างม า, างมาให้เหยียบตัวท่านนั่นก็แผ่เมตตาทั้งตอนนั้นมันแค่ มันเห็นว่าท่านมีความเมตตาไมตติน่าเป็นพึกเป็นใจนะคมันก็นไม่ทําท่านบางคนจะมาฆ่าท่านีก็สอนทำร้ะให้เขาเห็นโทษของทางฆ่าท่านก็ช่วยชีวิตเขาด้วยแต่ว่าอย่ากลับไปในทานเดิมเพราะเขาจะส่งคนมาฆ่าพวกคุณติดตาสอ <c oughs> นให้ช่วยชีวิตเขาด้วยท่านจะมาฆ่าท่านท่านตอเมตตาเช่วยชีวิตเขาแห้เขาไปอีกทางหนึ่ง รอยพวกที่เราทายโชคชุนแรกมันไม่มาก็เดินมาถามท่านเจ้าอาาเห็นยังซึ้งท่านนี้สิท่านก็บอกว่าเห็นเดี๋ยวรอขึ้นไปทางนั้นเพราะถ้ากลับไปทางนี้เจ้าคนก็จะฆ่าเราแล้วก็บอกว่าโทษของการฆ่านี่ทำให้เราต้องไปตกนรกจะสอนก็ว่าอย่าฆ่าแล้วก็บอกว่าอย่ากลับไปทางนั้นเพราะยังจะมีช่วงอย่าฆ่าอะไรในปัญญาเนี่ย ที่เราสวดคาของนี้ก็เกี่ยวกับเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่คนมาปลอบหายพระพุเจ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญาบ้างใช้เมตตาบ้างใช้รูเบคขาบ้างแล้วแต่กรณีอย่างคนที่มาฆ่าท่านเขาจะใช้ปัญญาสอนเขาให้การเห็นโทษของการฆ่าจากตัดชีวิตจนเขาไม่กล้าฆ่าไม่ก้าทำส่วนสงช้างมาจะหาใ ห, ห้ไม้มาเหยียดท่านท่านก็แผ่เมตตาให้กับช้างตัว น, นั้น ทางเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเวนพัดเทวพัดจะทิ้ง<ม>ก้อนหินลงมาดยตั้งทำให้พระบาทท่าน<ม>หอเลือดนี้ท่านก็อุบเบกขาก็มาไปที่ทกบเกียงเกียวเทวพัดว่าให้ว่าเดี๋ยวกรรมมันก็ตายมาเองแล้วไม่นานก็กรรมก็ตาย ม, มาก็กิดความสานึกผิด ก็ไปขอกมาราโทษก่อนที่จะถูกทอดมิสูจน์กันการขอกมาราโทษนี่มันก็ไม่ได้เชื่อหวังให้เขาอภัยให้เราแต่ให้เราตระหนักถึงความผิดของเราให้เห็นโทษของการกระทำของเรานี่คือการขอกมาราโทษไม่ได้ไปขอให้คนที่เราทําให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมาให้อภัยเราเพียงแต่ให้เราแสดงให้ออกให้เห็นว่าเรื่องความผิดของเราเป็นยังไง เราเราเป็นผู้ถือเราไม่ควรที่จะทาอย่างนี้เพื่อเราจะได้จดจาไว้เราจะไม่ทาอีกต่อไปนี่คือความหมายของการขอธรรมาระเพืไม่เล้นหมายแึงาว่าไปให้ไปขอให้เขาไม่โกรธเราเพราะบางคนเขาโกรธเราเขาจะไปท่าเขาได้ยางไม่ให้โกรธเราใช่ไหมถ้าไม่อยากจะโกรธถ้าเขาโกรธเราท่าหน้าอย่าไปทาเขาดิถ้าเราไม่ไปทําเขาเ็าจะมาโกรธเราได้หราอไง เวลาถ้าไม่ทำลายให้เส็บทำน้ำกจยันมันไม่โกรกันดอกนี่คือความหมายของการของสมาลาโยแต่ว่าการมีทางความเห็นจำแนกเสร็จนี้ก็จะทําให้เราไม่เป็นทานบาทนะถ้เปรตทัศ์ก็จะมีโอกาสได้หลังจากพ้นโทษแล้วก็จะไม่ได้กลับมาทําทําบาปบาปเดื่อยๆก็จะมีโอกาสได้บรรลุ เ, เป็นพระกิตติคุกิตติกุณเพราะท่านก็บำเพ็ญบุญมาเยอะแต่ก็มีสิ่งมีสมาธิ แต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาพอที่จะดับความหลงความอยากมักใหญ่ใคเ่สิอยากจะเป็นผู้ที่สาเร็จราชการแทนพระเจ้าตอรู้จ้าพูดหรือว่าแม้แต่พระเจ้าวิทู์รมกราเนี่เรายังไม่ได้ตั้งเขาเป็นเลยแล้วคุณเป็นใครพวกแค่ น, นี้ก็โกรธนะแต่ก็มาชัน่นึกสิทีหลั เป็นการสำนึกผิดเนี่ยดีควจะสำนึกผิดถ้าเราทําแล้วผิดแล้วเราควรที่จะยอมรับผิดแล้วก็ไปขอโทษผูท้ทำมันเสียอย่างน้อยเข า, าจะเขายกโทษให้หรือไม่ให้อย่างน้อยก็มันก็ดีกว่าไม่ทําเลยบางทีเขาก็อาจจะให้ผ่านได้พอเรามากทีเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นคนอื่นเขาเขาเขาเห็นโทษแล้วเขาขอโทษเนี่ยเราก็ทําเขาไม่ลงนะเห็นไหม ก็ก็จะไม่มีเรืกรรมตามตา ม, มาก็ได้หรือถ้ามีก็อาจจะมีน้อยลงไปหนักก็เป็นเบาได้แต่ถ้าไม่ไปขอการรมลเโทษอะไรนีแสดงว่ามันไม่มันไม่ฝังึกเลยจิตใจยังาาโลวลร้ายคนหนึ่งอยู่เพรฉถ้าเราทำอะไรผิดก็ขอการามลาททษได้ก็ทำเสีย แต่ทำนี่อย่ไปทําบ่อยเป็นคนเรารู้ท่านบอกว่าเดอยก็ปองอาบัดได้ไม่เป็นไ้ถึงไม่ใช่ความหมายของการปองอบัดโดยการปองอบัดนี่ก็แบบเดียวกันกับการขอสมาลาเทื่การให้สํานึกผิดเพื่อที่จะไม่ทําอีกต่อไปเอ่ถ้าทํำซ้ำๆซ้าๆแล้วก็ปองมันซ้ำๆซ้ำๆนี่ก็ก็ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เป็นการปองอาบัด เวลาผิดครั้งหนึ่งแล้วอยากไปผิดซ้มนี่ไปความหมอยากไปผิดซ้ำชาทำก่อนทำกำลังใจที่ท่านอาจารย์พูดถึงเจ้ากรรมเ่ยบอกว่าจริงๆเราไม่มีไม่ก็ผลกรรมผลของเราในหลวงที่เราไปทำให้โตเจ็บใจเะร้อยนี่เขาก็เขาโกรธเราเขาก็อยากจะเอาคืน เหมือนใครมาทำเราเราก็โกรธอันนี้ก็ไม่อเก่วอะไรอะไรมันก็ติดตามกันไปอย่างพระพุทธเจ้ากับท้าเเวชธ า, านก็ติดตามกันไปเดียวกันกิจพศกิจชาิก็จะตกี่ยวข้าง ก, ก, กันไปส่วนถ้าทำดีร่วมกันก็เป็นคู่บุญกันเช่นพระพระพญางอะไรที่เป็นภรรยาของพระุทธเจ้าก็เป็นคู่บุญกันถ้าทากรรมกันก็เป็นคู่กรรมกันเพาฉะนั้นท่านหัวให้ทำบุญ กันอย่าไปทำกรรมกันให้อภัยกันอย่าไปจองเลยกรรมกันจะได้ไม่เป็นคู่กรรมกันไม่เป็นเจ้ากรรมนายเรือนกันแต่ตัวคาว่าเจ้ากรรมนายเรียนที่เป็นตัวตนนี่มันมันมีอยู่ที่ใจของแต่ละคนถึงเกิดูคนบางคนก่อดมาพอมาเจอกันไม่รไม่เคยรู้จักกันมนาก่อนแล้วมัไปด้วยกันไม่ได้ <S <S <S <S แต่เมื่อการยั้ไงก็บอกดี่ังไงก็ไม่ <c oughs> รับบางคนนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยหน้าตามีก็โอ้ยไปกันได้เนี่มันมันมันเป็นเหมือนมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นกระแสของจิตที่มันรับรู้กันได้เพราะการแสดงออกของการของจิตนี่มันจะผ่านทางทางกาย หน้าตาของนี้เวลามองกันเนี่ยมันจะมันจะส่งกระแสเมตตาก็ได้ส่งระแสกระแสอาฆาพภัยบาปก็ได้มองกันได้ที่ตรงหน้าตาเองนีะมันก็นถึงจะรู้หนึ่งว่าเออเป็นคู่บุญหรือเป็นคู่กลังนถ้าเป็นคู่กลังก็พยายามทำใจให้เป็นเบกขาร์ไปอยู่ห่างแล้วถ้าพอที่จะทําอะไรได้ก็ทาให้เขา แต่มันจะทําให้มันเขาเบาบางไปได้แต่ทำไม่ได้ก็ต้องร้อยก็ทําให้พอใจมันพอได้ก่อนแล้วเขาทําด้วยเต็งที่ตามใจของเขาอิ่มพอแล้วเขาก็จะอยู่มายื่งกับเราเองแต่นี้ไม่ค้นค่ะเรื่ของของกรรมนี่หนไม่พ้นอย่างเ็นีสย่างทานมคลาถ้ามีดิบเด็กท่านก็ไม่หนีท่านเราใช้ใช้ไม่หมดหมดเล่ได้หนีเรื่องหมดแล้วคือท่านนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาตามไปแบบ ถ้าปล่อยก็ด่าให้พอฟัง่งฟังให้เขาด่าให้พอพอเขาเมื่อยเขาเหนื่อยนะ้วเาก็อยู่เองแล้วเขาก็ไม่ด่าอะไรต่อเลยถ้าเขาอยากจะทุกกบจะตีเรา่ะทุบไปตีไปเกิดมามันก็ต้องตายตก็ทํากรรมมาแล้วเนี่ยนะก็าก้ไขกรรมแต่อย่ายไปตอบโต้ไปตอบโต้ไปตอบโต้เดี๋ยวเขาก็ยักลับมาใหญ่ เขาแพเราวันนี้เดี๋ยวพรุงนี้เาก็จะกลับมานั่นก็เป็นน้ากันดีนะเราพัชนานแล้วก็าิ่มเขาพอแล้วเาก็ไม่กลับมาที่ของเราต่อไปหนึ่งคนที่มาทวงนี้ถ้าเราให้จายนี้ให้เราบอกเขาไม่มาแล้วถ้าเดียนจ่ายไม่บอกเขาก็ยังต้องมาอีกครับนะ <c oughs> <c oughs> พระโมคคัลานี้ต้อรับกรรมท่านก็ต้องมีกรรมขงเขาเองก็ต้องมาเกิดแล้วก็คงยมีคนอื่าเขาแทนแตําไม่ได้เกิดพระโมคคัลานีเพราะพระโมคคัลาท่เป็นพระอรหันต์แล้วก็หนักก็หนักค่าพระลนก็เป็นอย่างไนนั้นตาริกรรมมีอยู่ห้าาพ่อข้าแม่ค่าพระอรหันต์ทําเทาพุทธเจ้าให้ห่อเลือก เป็นพระเทบทัพนี้ตายไปตายไปไ ป, ไปตัดนรกค่ะหรือแม้จะบวชมีเสียงมีสมาธิมาก็ยังยับยั้งอนันตฤตยกรมนี้ไม่ได้แล้วประการสุดท้ายก็คือดการทาทให้สมแตแยกมีามา้าพ่อข้าแม่ข่าพเจ้ า, าทำให้พระพุทธเจ้าหอเลื่อยแลวให้ยุยงให้สมเกิดารแต่แยก ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้าที่คันก็บถ้าไม่รู้ก็ถ้าไม่บาปก็บาถ้าที่ว่ามันก็ต้องรู้ถึงอย่างนีอถ้าไม่รู้ว่าเป็นพ่าหันตไม่พระนเหมือนกันเพราะมันต้องรู้อ่ะมันต้องมีเจตนาถ้าไม่รู้ ถ้าถึงว่าข้าพ่อถ้าแม่จะไม่รู้ เ, เกิดมาแล้วถ้าเอาไปเลี่ยงคนอืน่นนะไปเรี้ยง น, นพ่อแม่มาเป็นามามาเป็นโขมโมยขโมยของก็ยิงพ่อมีแม่ตายไม่รู้ว่าเป็นพ่อหรืแม่มันจะเป็นอันหนึ่งจะรู้ความได้อย่างนี้นะมันต้องรู้บบรเนใจเ็นจเตนแสดงว่าใจมีความเที่ยนหูหน้ารู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วยังฆ่าได้ แต่ท <pulling treatment. S 1> ี่ท่านี้เขาไม่ได้คิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขาเพื่อเป็นขโมยมาเรือคิดมีคนเดิมาปองร้ายเาแล้วเขาป้องกันตัวเขาอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ไม่ด้เป็นอะไรเขารู้เขาอาจจะไม่ทก็ได้ใช่หมือนาจจะไม่ทำก็ได้คุณลิศยาก็สงสัยอยู่ว่ามันผลิตเขาเขาอ่านใ่ในบบไหนก็แปว่ามีูู้แต่แล้วก็แยกกันเพ่าะแม่เขานคนลค่ายใช่ไหมคเป็นอย่างนี้ ผมว่าที่ไหนเข้ามาแต่งตาาาองอานกันเออนี่ยี่ตงกทุกคเือนนีี่เปล่ัไงคือที่พ่้แม่ขึ้นะแต่งงานกันนี่วนออย่างเป็นเรื่องของทันธุกรรมมากกว่าเพราะว่าลูกที่ออกมานี่จะมีสุขภาพเป็นุญไม่แข็งแรงมันมีโรคภัยอะไรต่างๆขงเขาถึงไม่นิยมที่ให้แต่งงานและอย่างมันก็ทาให้สมรู้ว่มันสับสนกัน ใม่รู้จะเลียงกันยังไงไมบอกเลยมยแต่ลูกที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้ลูกร่งหน้าตาที่ดีเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแต่งงานกันในครอบครัวมันมันจะทำให้ลูกออเด็กออกมาเนี้ยหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้สุขภาพอะไรอายุท่านม่แข็งแรงอะไรต่างๆเราถึงไม่มี่นเริในคันก็น แต่ก็ยังมีทำกันอยู่บางคู่บางครอบครัวก็อยากจะไม่อยากจะให้ลูกไปออกไปแต่งคนเดียวเพราะว่าแต่งลูกพี่ลูกน้องกันเสมคือเอาลูกของป้าหรือ ล, ลูกของน้าของอามาแต่งเอาลูกของเราเ อ, เยยอยู่นี่นี่ใครจะยิง แล้วก็มีกรณีหนึ่งที่อ่านในหนังสือคือเป็นแฝดแต่ไม่ไม่เป็นแปดเหมือนแต่เป็นพ่อคนละคนเ mm hmm. พราะว่าช่วงที่แม่ตั้งคั mm hmm. ต้งไข่งขั้นแม่ไปมีคำสอนกับคนอื่นด้วย mm hmm. แล้วส mm hmm. ามีสงสัย mm hmm. สมัยนี้ก็มีตรวจเชือ DNA ้อดีเอ mm ็นเอได้แล้วก็ากฏว่าตนั้นแม่ตรวจไข่สองกอง แล้วก็เชื้อของพ่อคนหนึ่งของสามีก็ได้ลูกหนึ่งแล้วสามีคนหนึ่ง ก, ก็ได้ลกหนงเด็กทั้งออกมาสองคนจริงไม่เหมือนกันพ่อก็ไปสงสัยสามีก็ไปสงสัยนก็เลยให้ตรวจเอ็เอก็พิสูจน์ได้ว่าถ้าเด็กทคนนี้แต่งงานกันมันก็จะ ก็มันก็มนก็มันได้เป็นพี่น้องกันร้อยเอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเดแม่เดียวกันแต่คนละพ่อจะออกมาใช้ท้องเดียวกันออกมาอาศัยท้องเดียวกันออกมามีร่วมกันใั่ไหม้ามีกรรมร่วมกันร่าไม่ทราบเรื่องกรรมนี่ถ้าว่าจิตใจมันน้อกน้องัดต้องมันมีอะไรหลายอย่าง ยิ่งสมัยนี้ก็ผสมเทียมได้นี่ก็สามารถเอาใข่ไข่ของแม่คนเดียวแล้วเอาพ่อสักห้าคนเอาเอาชื้อของพ่อสักห้าคนมาผ ส, สมกันเอาไปใส่เข้าไปในท้องก็ได้มีออกมามีลูกห้าคนมีพ่อคนละแม่คนเดียวกันแต่พ่อคนละคน <c oughs> โลกมันจะวิถีฐานยังไปเรื่อ ย, อย <c oughs> มันจะพิสดารยังไปเรื่อ ย, อยจนไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ก็มีข่าวว่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเข้าไปจ้าง คนที่เกาหลีให้จะโคลนหมาเขามีหมาตัวนที่เขารักมากตายไปแล้วให้เ้าโคลนหมาตัวนี้ให้เป็นเหมือนเดิมรูปร่างหน้าตา ม, มเดิมเลยข้าโคลนไม่ต้องแสนกาหลีแสนเกาหลีโคนนี่สี่สิบบาทสาสิบกว่าบาทก็สามลานกว่าคือหมาตัว นิจคนละรวงดวงเก่ารุ่มจไหนอละดวงใหม่ต้องรู้มาจากไหนหรืออาจจะเป็นดวงเก่ามาก็ก็อาจจะเป็นการบังเอิญเป็นเรื่องของบุนของกรรมเราดูศัตรูหรือดูมิจก็ไม่ทราบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างน้อยเท่าเจ็บในรู้กันนานๆเหมือนกันต่อไปเวลาจานมีตายก็ให้โทน พอสามีตัดพอสามีโตขึ้นเราแก่แล้วนะเา <c oughs> ไม่เอาเราละความที่แสดงออกมาว่นี่ตเล็กต้องไม่มีธี่ข้นสุดเนี่ยต่อไปจะมีปัญหามากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะผู้หญิงมีปัญห า, เ, าเรื่องทางด้านตระะเรื่องการตั้งคันเรื่องอะไรแบบนี กอนจะบวชนี่เขาต้องมาอยู่เป็นเป็นคับสักอยู่ผ้าขาวอยู่ถึงปีมั้งเพื่อจะแน่ใจว่าไม่ได้ไปรอบเชื้อมาตั้งขันไว้ก่อนอเดีย๋ยวบวชแล้วมามากลองตอนตอนหลังเนี่ยร่างกายหรือนิสัยหรือนิสัยของผู้หญิงอาจจะต่างกับผู้ชายในบางเรื่องบางอย่างต้องไปเึกษาดูมันมีมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกไงมีในสองทิศตรงนี้ก็มีอยู่ ของีเหมือนกับพระก็มีของที่ต่างจากพระก็มีมีมากกว่ของพระของพระสองร้อยี่เจ็ดของของจาเนของพิพิธเนี่ยมันามร้อยขึ้นสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าสามยขึ้นนันก็เป็นเรื่องของสิริละเรื่องของอะไรต่างๆของของพี่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพิพิธเน่ยนี้ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระก็มีกฎมาหยุดบังคับ ททุกวันอุโบสถนี้จะต้องมามาม า, มาฟังธรรมหรือว่ามารับการอบรมจากพระแล้วก็มีข้อห้ามด่าวพระห้ามสอนพระคนนี้สอนพระตับไม่ได้นะ <c oughs> ต้องต้องคนรบพรที่มีองาลอ้อย300กว่าแม้แต่แม่ครับพระผู้วนบวนในวันนี้ก็ต้องแม้คนนี้บวชมาห้าสิบปีแต่ก็ต้องเขารบยก ถือพระที่จุดที่บวชวันนี้ว่าเป็นอาวุโสก็ตามเพราะท่านต้องการให้พระเป็นผู้ควบคุม <c oughs> ที่คุ ม, ม <c oughs> เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เหลือคืออัตตาตัวตนยังมีด้วยกันทั้งนั้นแต่ทีนี้สมัยก่อนเรื่องอาจจะเป็นเพราะกําลังผู้ชายมีกําลังมากกว่านี้ถ้จะให้เป็นผู้หญิงให้ผู้หญิงมาเป็นหัวหน้านี่มันคือมันจะต่อสู้กับผู้ชายไม่ได้ <c oughs> ก็เลยต้องปัญหาให้ให้ให้ผู้ชายให้พรัะเป็นเป็นเป็นผู้ปกครองเป็นผู้คุมกองอย่างพินี้นี่จะไปอยู่การลําพันธ์ไม่ได้ต้องไปอยู่ที่วัดที่นี้ก็ะพิสุนี<ม><ม>นี่มันถึงมีข้อต่างพิเศษวันวนี่ปรากฏขึ้นมานี่มันเป็นเงื่อนไขตอนพระโลกเจ้าไม่อยากจะบวชให้ทิสุนีให้เพราะว่าท่าว่ามันมีปัญหามากกว่า แลผู้หญิงกับผู้ชายพอมันอยู่ใกล้กันเนี่เดี๋ยวมันไฟมันจะช็อตกันได้เลยเพราะทิศนี้ก็ต้องอยู่อยู่ให้อยู่ใกล้พ่อทิศสุขให้ทิกสุขคอยดูแลแต่ทิกสุขเห็นที้ทุกวันเดี๋ยวไฟมันจะล่องขึ้นมาได้นี่หมายความว่าถ้ามีบวพกทิศนี้แล้วมันจะทําให้สงในเสื่อมลงเร็วกว่าฉันก็เลยไม่อยากจะบวไม่ได้รังเกียจเพราะเป็นพระนุ่นต้องไปถามที่เจ้าว่า อผู้หญิงไม่สามารถปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยเองค์เจ้าหลวมันไม่ได้แล้วทําไมหน้าเลี้ยงแท้ๆขอบวชทำไมไม่บวชให้ท่านทานก็เสีบ <laughs> อ <c oughs> ว่าเจ้จะบวชกนได้แต่ต้องมีเงื่อนไขไม่เผืจะติดประการนี้ติดประการนั้นนะครับที่ได้ที่ได้ได้รู้ะเปการบวชของพุทธิณีก็ตํางบ ว, บวชอสองสง ทีกส่วนนี้บวชให้ทุกส่วนีเองไม่พอบวชเสร็จ ท, ทั้งพระทสวนี้แล้วตั้งใจให้หลงบวชให้สอนพระไม่ได้ด่พระไม่ได้ต้องเขารบนับถือพระเสมอนี่นคือที่เง่นไขต่างๆที่เจ้าสงให้ต้องรับแต่พระนามประชาวบดีท่านได้น้อมรัเเบเพื่อการเคารพเขาก็ทุ่ใจ ก, ก็บหลวง แล้วพิจูนี้ก็อยู่มาได้ลูกศิษย์ทำกับนี้แล้วก็หมดไปเพราะไม่มีใครสืบทอดถ้าถือว่าเรียกพิจูนิ่ลสุดท้ายแล้วก็บวชบวชพระให้ไม่ได้บวชพิกจูนิองไหนไม่ได้เพราะในพระบัญญัติมันต้องมีอย่างว่าห้ารูปขึ้นไปแล้วก็ต้องมีพิกษุส่งให้ห้ารูปเดี่ยวสมงสองเต็มยาวสำเร็จเป็นพิจูนิ่งได้ถ้าไม่มีพิจูนิ่งหล้วอยู่มันก็หายไป นี่ทางมหายาณนี้ทราบว่าเขาเขาว่าเขายังของเขายังมีอยู่ก็ก็ไม่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของเขาว่ามีจริงหรือไม่จริงหรือขาดไปดแล้วแล้ว่ามามาต่อขึ้นมาใหม่อย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่รู้ น, น, นี่ของในประเทศไทยเราเร า, เรามาทางสายเถรวาดก็มันหมดไปแล้วก็เราไม่มีการดูพิจารมาจนถึงปัจจุบัน แต่สมัยนี้ก็มีบางบองค์ลููกท่านก็ยังยืนยันไม่บวดได้อยากจะบวดก็มาเขี่ยวเขียนทางสงฆ์จะมาบังคับโดยการออกกฎหมายแต่ทางหลัดนี้ก็ถือว่ากฎของทางธรรมนี่สูงกว่ากฎนังทางโลกเพราะกฎของทางธรรมนี้ออกด้วยพฯฯฯระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีกิเลสแต่กฎของทางโลกนี่นออกจากจิตใจของมันที่กิเลสมันเปลี่ยนได้เรื่อย กฎหมายว่าเนวารมนูยเนียมันเข็นมาเกันสี่คนนะใช่มแต่คำยันางผูเจ้าที่สองพันห้าร้อยจีแล้วไม่ได้เปลี่ยนใจเลยยังไงอย่างนั้นอยู่แต่คนที่ก็ไม่ศึกษาไม่เข้าใจเขาก็หาว่าพระนี่กำกีดการผิดการพิงไม่ให้ความเสมอภาคก็จะไปร้อง u ูเอ็นด้วยองกรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ก็เขาลืมความหมายของการเบวชว่าบวชเพื่อบรรลุเพื่อตัดกิเลสไม่ได้บวชเพื่พอมาสร้างกิเลสอัตตาตัวตนเนี่แสดงว่าเรายึดติด ก, กับคําว่าพิจินี้เรายึดติด ก, กั บ, บรูปแบบของพิจินี้นึกไปว่าพิัวนี้นี้ก็มีว่าเป็นเครื่องมือให้เราปฏิบัติถ้าได้นักแห่งนิพพานถ้าเราอยากเป็นพิจิ น, นี้เราก็ไปศึกษาถิงของพิัวนี้มัามีกี่ข้อแล้วเราก็ปฏิบัติของเราไปแล้วเราก็เป็นพิจินี้ของเราอยู่แล้ว จะให้คนอื่นบวชให้หรืไม่บวชก็ได้นั่นก็เป็นทุกจริงอย่างเชิงปฏิบัติอยู่แล้วยิ่งแต่ว่าในทางสังคมก็อาจจะไม่รับเราเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีฐานะมีการยงเลี้ยงตัวเราได้เราก็เราก็เป็นคนใส่บาตให้กับเราเองเช้าเราต้องมาตั้งก็แล้วกันคืออะไ ทำได้เหรอเป็นทุกข์ชนี้ก็ทำเองได้เป็นทุกข์ชนี้ในบ้านเราเจ้าคนโด่อยู่คนเดียวถ้ามีคนเข้าอย่างเราจะทำไม่ได้ใสมัยก่อนที่อยากายจะมาจะหว ก, ก็ยังคิดอย่างนี้ถ้ามีเงินงคงไม่ได้หวงมันยังติดกีเ่เดียวมันยังติดยังอยากจะหวงไม่อยากจะไปเป็นให้คนมาคอยจำพี่จําชายคอยดูอยาว่ากล่าวเ้าเราอยากจะอยากจะเป็นตัวเปนตนของเราอย่างเนี้ย คือถ้าหหนถ้าเรามีเงินถ้าก่อนนี้นเราคงจะอยู่ปฏิบัติมาใส่เงินเรื่อยๆมันก็ดีตามทีเด็กเพราะว่าเราก็จะไม่จเจริมเจ้าหน้าทัพพิชิตพไม่มีคนคอยคอยสอนคอยบอกแต่พอไม่ได้มีทางเลือกแล้วก็ต้องยอมอบวชก็บวดเพื่อ เพื่อความอยู่รอดต้องได้มีเงินคือท่ากินเลิเนก็ทำน้าบวชนี่ก็มีเงิน ม, มีมีข้าวีบ้านซีก่อนท่านจารไปอยู่นี่ตาท่านอาจารได้รับกินกินสัมก่อนนะครับว่าท่านจารย์่านขึ้นบวช <c oughs> ขนาดนั้นนาดนี้ก็ได้รู้เพียงแต่ระยะไม่กี่วันก่อนจะไปไปเน่ยเะเอยากไปเั็นท่านว่าหลังองคเเวลาก่อนท่านไปนี่ท่าทางต้องสวก็อยากจะไปแตจอยเขากัั่งอยู่ตลอด แ <laughs> เราไปได้เป็นกี่วันก็กลับมา แ, <laughs> แต่เราแปลว่ามันนิสัยเราไม่ม ค, ค่อยไมคย่ค่อยขวคนดูเนะเคยเคยอยู่ก่บคนดูมาได้แต่เด็เพราะไม่เคยได้อยู่กับพ่ อ, อแม่พ่อแม่ไปฝากอยู่คนนั้นอยู่คนนี้พ่อแม่นคนอื่นก็ไม่รักก็ไม่เก็ไม่ดูแลเอาอกาจายเหมือนกับพ่อแม่คนเอนพูดคาไม่เชื่อก็ตกอะไรตีตอะอย่างเงี้ย มันก็เลยมันก็เลยรู้ว่ามันไม่เป็นปัญหาลแล้วมันได้ดีหรือทำอะไรเขาตกตีเราเราแค่ได้เขียนเขีน <c oughs> แล้วเราก็ยังไม่กล้าทํำต่อไป <c oughs> แต่ถ้าพ่อแม่ห้ามยังไงกูยังไก็ยังทำได้อยู่ก็เสียคนไปแตนน่จริงๆนะนจรงอยู่กับคนที่เขาดูเขาเข้งมงวดขังกับเรานี่ได้ประโยชน์กับเรามากกวอยู่คนที่ใจดีใจดีเขาก็อ่ะ ไม่ว่าอะไรทำไรก็ทำไปเมื่อเราทำเสียทำผิดใครใครเป็นคนเสียใครเป็นคนผิดก็เราแหะเป็นคนแต่ถ้าเขาตีเรากทีอร่งนี้ในกาลเนี่ยาเรเคยสิท้อแท้อยากตง้ก็คงไามีก็คงจะมาไมื่อถึงตอนตรงนี้ ก็จํำได้ๆว่ามีไงการนั่งฆ่าจจะ ม, จมีบางเครื่องที่รู้สึกว่า อ, อมันยากหน่อยมันเหน่อยหน่อยอะไรนี้มันมีมียากมีง่ายมีอะไรการการไม่ถึงกับถ้าเคยตั้งใคยเคยสอนตัวเองี่ยบว่าสมมุติถ้าสมมุตินะถ้าอยากจะเสร็จสมมติวันไม่อยากจะเสร็จก็สอนตัวเองว่า เ, เราบวชมาได้กี่วันแล้วก็อยู่ต่อไปได้กี่วันแล้วค่อยเสร็จสมมติอยู่มาได้ปีนึงก็อยู่ต่อไปอีกปีนึง ถ้าถึงปีแล้วค่อยเสร็พอถึงปีแล้วก็บอกว่าอยู่มาได้ตั้งสองปีแล้วไม่ได้สร็จอ่ะเพราะจะต่อไปเื่อยๆ อ, ย อ, าอยบายสอนตัวเองแต่มันก็ไม่เคยเห็นกับตอนนั้นน่ะก่อนมานี่สาวบานหน้าว่าไม่เคยคิดอยากจะสึ็เไม่รู้จะเสร็จจะทําอะไรไ่รู้จะไปหาอะไรมันไม่ีอะไรให้เราในชีวิตของพาราหมณ์เราผ่านมาหมดแล้ว เราสจำผัดมาเหมือแล้วถ้าเหมือนกับแถวชวนชินก็เคยไปกินมาทุกวันก <c oughs> ินแล้วมันก็เท่านั้นมันไม่วิเศษกว่าอาหารใจที่เรามีอยู่ในใจเรามันมีตัวนี้นท่าน้าน่ดพิเดินได้แต่ถ้าไม่มีตัวนี้รับรองได้ก็อยู่กันไม่ได้ใจมันจะหิวทันทีมันจะหิวกับอาหารภายนอกแต่ถ้ามีอาหารภายในที่ดีกว่าอาหารภายนอกก็ไม่มีความหมาย คือมันต้องลุยตั้งใจยกหนึ่งไปเลยไม่หยุดเลยต่อยแบบไม่หยุดเลยพักก็แค่ดื่มน้ำกินน้าเห็นแล้วก็ลุยต่อพอตื่นขึ้นมาก็กระทั่งสติภาวานาเดินจงกรมอาจจะกระทั่งหลับตื่นขึ้นมาก็ทำไปอย่างนี้ทุกวันถ้าไปอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะท้องไม่มีทางที่จะถอ ม, ม, มันเราเป็นฝ่ายรู้ที่จะทำ แต่ถ้าเราทําบ้างไม่ทําบ้างเนี่ยมันจะเป็นปัญหาพอมันหยุดทําแล้วเวลาจะเริ่มทําใหม่มันยากแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆแล้วมันง่ายมันติดมีแสงมีกรมีมีแรงดันอยู่แต่จะทําอะไรอยู่เรื่อยๆมันก็ติดเนมันจะมีตัวคอยพับกถึงเวลาทําล้วนะถึงเวลาทํานั้นทํานี่ถึงเวลานั่งแล้วนะถึงเวลาเดินแลมันก็จะทําไปเรื่อยๆ แต่ถ้าไปหยุดทําสักพักหนึ่งขีดเกียจนะสิแบบนนึกถึงอะไรทั้งนั้นไม่ ไ, มไมหวนะไม่อยากไปทําประเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะทําให้กับความท้อแ ท, ะทะ้ทาไปไม่เห็นได้ผลเลยทำนะั้นเราคงไม่มีวาสาานาหรอกถ้างนี้นอย่าไปทำเนื่นื่อยเลยเนี <c oughs> ่ยถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ไป่ายละแพ้และอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้มีความคิดอย่างนี้เพิ่ม ข, ขึ้นมะ มองไปที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์อีกตัวท้งชายนะวิญญาณของสมควรอย่างไร้างวันนี้มาเร็วนะก็เลย คงได้สองโลที่จะยักควาย ยถาวาริวาาปราภิรุลินติักเอวว่าอตินาเตตานัอุปการปฏิอิจิตัปจิตัตหิปมวะจตุจเุรปาจัโทปรโยัถยานจงติระโยถะสัพพติโยวะจทตารโวินาตตุ มาเตปาวะโตวันตรายโยสุขีทีขายโกสวะตัพิวะทันสีมิสะมิจังมิท่าปะจามิโนตตาโรธรรมาวาทานติปายุวโนสุขังภายาสานุสีมิสิก ท่านผู้เรื่องวาสนาค่นี่คืกร่าวท่านต่จะรเลียงท่านอาจารย์เรียนท่านเล่เาให้ฟังว่ามีมีการว่ามีโยมไปกราบท่านผู้ชายสองคนแล้วท่านรูึกถาเมเรื่องบวชเพราะบอกเขาไม่มีวัสนาแล้วท่านบอกถ้ามีวาสนาเราจะบวชไหมแล้วท่านเคยทำสลาขึ้นสี่อันได้เขียนว่า มีวาสนามทั <Una> ้ง <drilling> ี่อันค่ะเขาจับจได้ก็เป็นเป็นอีกสองอันก็ท่านก็เลยอันได้แล้วมันนั้นก็ฉีดทิ้งลงกระั่้ท่านก็ถมน้ำลายรอบเลยนระถั่วสองสองสองพ่วดอยู่จนหนึ่งนี้เลยก็ยกปวดมันเห็นแก่ ก็ย <okay. S 1> ังไม่รู้บาลนี้เยว่ะเรู้ก็กก็ไม่เป็นครเบท่านมีมีรามที่จะน้มน้าติดใจให้ให้ข้าาบุญนจะไม่เคยพบท่านเลยไม่เคย อามารนี้ว่าไม่มีวาสนาเลยคือครูบาอาจารย์นี่จารย์บวชมาที่ก็อยู่บ้านจ่าตลอดไม่ได้เคยออกไปไม่เคยพระหลวงจา่าท่านก็ไม่เคยพาพระในโอกาสครูบาอาจารย์เวลาครูบาอาจารย์ท่านมาท่านก็ตรงไปหาหลวงจา่าเราก็ไม่รู้เรื่องก็จะรู้จักเฉพาะวงที่ท่านมาค้างคืนเช่นที่สนุนสนมกับท่านเช่นท่านอาจารย์สิ๋นทองอาจารย์เพียรอาจารย์ลีอาจารย์สุไวาา้ก็เคยไปค้างค้างแหลม แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเพราะตอนนั้นเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องอะไรเลยเราสนใจแต่เรื่องของเราเองอย่างเดียวเจเลยเรื่องครูบาอาจารย์วัดวาต่างๆไม่เคยไปไหนเลยหรือวัดป่าบ้านตาตลอดขลุดอนในก่อมาก็บวชอยู่วัดบวรไปอยู่วัดป่าบ้นตาแล้วก็มาอยู่วัดที่ที่พัตยาแล้วก็มาอยู่วัดยาเนี่ยถ้มีสี่วัดเนี่ยต่างๆบกชมา แล้ก็ไม่เคยใส่าป่าที่ไหนไปก็ถึงนี้แน่ใจไหมครับถุงเทมานันไม่ข <hyd Metro> ้าถุงเท้า <reco> นั้วก็มีบ้างแต่นานๆทีข่างอิทละเปเตี้ยะเปล่งเต้าเปาเยอะกเอคนเยอะขึ้นเปิดบ้าเปิดนานมากช่องเยอะขึ้น ถึงไม่อยากจะไปไหนอยู่อย่างนี้มันมันลงตัวมันทุกอย่างมันเป็นเวลามันมีเวลาของมันที่จะทำอยางเวลานี้ก็ทำอย่างนี้เวลานี้ก็ทำอย่างนี้เวลานี้ก็ทำแล้วก็เลยติดงแล้ว่าติดก็ติดนแต่ไม่ติดแบบว่าถอนหัวไม่ขึ้นงูหัวไม่ขึ้นถ้ามีเหตุผลมีอย่างอื่ที่ต้องทำก็ทำได้ไปไหนก็ไปได้ แต่มันไม่มีไอ้ตัวที่ออกมาจากใจเราเลยว่าอยากจะไปโน่นอยากจะมานี่อยากจะไปเยี่ยคนนั้นอยากจะไปกล่าวตรงนี้มันไม่มีแ่ทำเป็นเหมืกน ก, การค่ทำเป็นเหมือนการ อ, อ, อยากจะกล่าวไปก็กล่าวตรง น, นี้แล้วแล้วถึงท่านก็ได้กจับขึ้นนะเอาไปลุกไปแล้วหลังของจริงเป็นอย่างนี้ <laughs> ขอไป ไม่ไปเลยเนี่ย